ขอนอบน้อมพระธรรมด้วยขอนอบน้อมพระอริยสงฆ์เจ้าทั้งหลายด้วยด้วยความกรลบเอื้อเฟื่อขอความเจริญในธรรมจงมีแด่ญาติโยมพุทธบริสัทธ์ทั้งหลายเอาวันนี้ก็มาสนทนาฟังพระธรรมคําสอนกันอี ก, กวาระหนึ่งก็ยังสนทนากันในเรื่องของพรหมวิหารธรรม เมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาซึ่งเป็นกลุ่มของสมาธิสิกขาแล้วก็พูดถึงในเรื่องของตัวสังคหาวัตถุหลักการสงเคราะห์ที่ทานปิยวัจยาอัธจริยาสมานตัตตาก็ครั้งก่อนก็พูดเชื่อมลงสู่ทิศ ท, ทั้งหกตั้งแต่ทิศเบื้องหน้ามารดาบิดาแล้วก็ทิศ ในเรื่องของอาจารย์แล้วก็มิตรแล้วก็ภรรยาสามีตลอดถึงเจ้านายลูกน้องตลอดถึงผระสงค์แล้วก็พุทธบริษัทแล้วก็เมื่อครั้งก่อนก็พูดการเชื่อมโยงในเรื่องของสังคมที่เป็นไปในเรื่องของการที่พูดถึงในหลักของสังคมที่มีเมตตากรุณาเมตตามาก ตลอดถึงว่าหรือที่ขาดที่จริงนะพูดในลักษณะอย่างนี้ก็สิ่งที่สำคัญที่สุดที่ต้องการอยากจะมานำเสนอเราท่านทั้งหลายก็คือว่าในภาวะปัจจุบันเนี่ยเราจะเห็นกันได้ชัดก็คือว่าความที่เราไม่สามารถที่จะหยิบยกเอาพระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาเป็นหลักในการดำเนินชีวิตได้นี้เป็นหลักที่ เป็นประเด็นที่เราจะต้องมานั่งคุยกันเนาะว่าทำอย่างไรหนอที่จะทำให้ชาวพุทธหรือพุทธบริษัททั้งหลายได้เกิดความรู้ความเข้าใจในอันที่จะหลักนําหลักทำคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาใช้ได้จริงเพราะถ้าอย่างนั้นน่ก็จะเป็นประเด็นปัญหาที่จะทำให้จิตใจพฤติกรรมทั้งหลายเหล่านี้ก็เสียหายมนุษย์เราเนี่ยถ้าแบ่งกันออกก็จะมีสมด้านใช่ไหด้านพฤติกรรม ที่ออกมาทางกายกวาจาเนี่ยก็คือพฤติกรรมด้านจิตใจด้านจิตใจนี่ด้านที่สองด้านที่สามก็คือด้านปัญญาพฤติกรรมจิตใจและปัญญาทีนี้โดยส่วนใหญ่ก็คือว่าถ้าด้านพฤติกรรมเนี่ยก็ใช้ตัวกุศลศีลมากำกำับแต่ด้านจิตใจก็ใช้กลุ่มพวกสมาธิตะดมทัศนาความเห็นก็ใช้ปัญญา นและ ก, การคืออย่างนี้แหละในพระศาสนาท่านจึงพูดถึงในเรื่องของสิกขาสเรียกว่าที่ศีลสิกขาที่จิตตสิกขาที่ปัญญาสิกขาคือสีนสมาธิปัญญาใช่ไหมทีนี้ทํามาแยกแยะรายละเอียดออกไปเนี่ยในพระธรรมคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านพูดถึงในเรื่องของพระมิหารตัวเมตตากรุณามเมตตาและอุเบกขาอยู่ในชั้นของตัวกลุ่มสมาธิ พอพูดถึงในกลุ่มของสมาธิแต่ก็ยึดโยงเชื่อมโยงกับตัวปัญญาเหมือนกันที่เรียกว่าตัวสัมมาทิฏฐิโดยเฉพาะกลุ่มที่ชัดเจนที่สุดก็คือสัมมาสังกปะตัวสัมมาสังกปะที่แปลว่าความดําริเนี่ยดำริออกจากกามดําริออกจากพยาบาทดําริออกจากการเบียดเบียนไอตัวดําริทั้งหลายเหล่านี้นี่แหละที่เป็นปัจจัยเชื่อมโยงทําให้เมตตาจิตเกิดขึ้นเนาะทำให้กรุณาจิตมุทิตาจิตแล้วเบขาจิตเกิดขึ้น ฉะนั้นตัวความคิดที่เป็นทั้งเนคข ม, มะสังกปะอัพยาปาทาสังกปะวิหิงสาสังกปะเนี่ยเนคข ม, มะที่แปลว่าการออกจากกามอัพยาบาทก็คือการออกจากโทสะเอวิหิงสาก็คือออกจากกิจทิคิดเบียดเบียนทีนี้กระบวนการของสัมมาสังกปะเนี่ยจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าขาดเสียซึ่งโยนิโสมนัสิการ และตัวสัมมาสังกปะนั้นก็ต้องเป็นปัจจัยเชื่อมโยงกันกับตัวสัมมาทิฐิคือความเห็นที่ถูกต้องความเห็นเนี่ยมีหลายระดับนะโยมนีเห็นในระดับเหตุและผลอันนั้นเขาเรียกว่ากรรมศักตาสัมมาทิฏฐิความเห็นหรือทัศนคติที่ไปเห็นในเรื่องของเหตุผลเรื่องกรรมเรื่องผลของกรรมเนี่ยกรรมดําให้วิบากดํากรรมขาวให้วิบากขาวกรรมทั้งดําและขาวให้วิบากทั้งดําและขาวคละเคล้ากันไป กรรมที่ไม่ดำไม่ขาวมีวิบากที่ไม่ดำไม่ขาวเป็นไปเพื่อความสิ้นกรรมนีม่หลักกรรมทีนี้ในด้านของกรรมสกตาสมาธิฐิเนี่ยเรายังไม่ได้ไปเรียนรู้ในะจริงๆเนีมาก็นึกอย่างนี้นะว่าหลังจากที่เราวิจัยในเรื่องของพรหมิหารสู่สังขาวัตถุเชื่อมลงลงสู่ทิศทั้งหแล้วก็เป็นการปฏิบัติการต่อสังคมเรียบร้อยแล้วเนี่ยสิ่งที่จะพูดต่อไปอยากจะเอาเรื่องกรรมมาพูด แล้วก็ให้เราได้เข้าใจในมุมเหตุของเรื่องของกรรมเรื่องผลของกรรมให้ชัดว่าในมุมมองในคําสอนของพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าเนี่ยขําเน้นในเรื่องกรรมอย่างไรใช่ไหมฉะนั้นถ้าพูดถึงในเรื่องตัวสัมมาทิฏฐิเนี่ยซึ่งดูเมื่อสักครู่เนี่ยสัมมาทิฏฐิระดับเหตุผลเขาเรียกกรรมสกตาสัมมาทิฏฐิเชื่อเหตุเชื่อผลเข้าไปรู้เรื่องกรรมและผลของกรรมถ้าสัมมาทิฏฐิที่ยกระดับขึ้นไปกว่า น, นั้นอีก เขาเรียกว่าฌานะสมาธิฏิยอมก็ได้ยินไหมถ้าฌานลสัมมาทิฏฐิ ค, คือปัญญาที่ไปรู้ในการที่จะทําให้เมตตากรุณาเมตตาเวขาหรือทําให้สมาธิศิกขาเกิดขึ้นได้อย่างไรหรืออุบายวิธีการที่จะทําให้คณิกสมาธิอุปจารสมาธิโดยเฉพาะอัปปนาสมาธิคือสมาธิที่แนบแน่นเกิดขึ้นมาได้เนี่ยอันนั้นต้องใช้ปัญญานีถ้าไปดูในชั้นของปัญญาอัตถกถาท่านก็นเลยบอกว่าเป็นฌานสมาธิฏิ ถ้าไม่มีสมาธิติระดับนี้ก็จะไม่สามารถชำระทำสมาธิให้เกิดขึ้นได้เลยถ้าพูดในเรื่ององค์มรรคถ้าองค์มรรคของสมาธิสิกขามีอะไรสัมมาวายมะเพียรชอบสัมมาสติระลึกชอบและสัมมาสมาธิความตั้งมั่นชอบกลุ่มสัมมาสมาธิใช่ไหมทีนี้ในกลุ่มของสัมมาสมาธิทำไมมีความเพียรชอบมีสติทำไมมีความเพียรมีสติแล้วก็มีกลุ่มสมาธิ แล้วเมตตากรุณามุทิตาและเวขานี่ยอะอยู่กลุ่มไหนก็ว่ากลุ่มสมาธิสิกขาฉะนั้นมองให้เห็นชัดว่าเวลาสมาธิเกิดขึ้นสมาธิก็จะเป็นตัวรอมรวมให้กลุ่มกลัวกลุ่มสมาธิเหล่านี้เกิดขึ้นฉะนั้นถ้าเรามองอย่างนี้ก็จะเห็นได้ชัดเจนว่าอุบาไอกลุ่มในด้านของตัวสมาธิจิตที่เป็นด้านของสมาธิกลุ่มกรรมฐานทั้งหลายเนี่ย โอ้โหมีเยอะมากเลยไม่ว่าจะเป็นการะกะสินสิบอสุภาสิบนะอนุสติสิบเนี่ยอปมัญญาสี่อาหารเรปติกูสัญญาจจตุธาตุวัฏฐานอะไรก็ว่าไปตามลำดับจนถึงอรู ป, ปกรรมประฐานสี่เนี่ยสิ่งต่างๆเหล่านี้นั่นคือเป็นตัวกลุ่มสมาธิแต่ว่าสมาธิเหล่านี้ยกตัวอย่างเช่เนอถามว่าเมตตาที่จะเป็นสมาธิเนี่ยเกิดขึ้นไม่ได้เลย ถ้าสมาธิเหล่านี้ถ้ากลุ่มเมตตาเหล่านี้ไม่ได้รับการเกื้อหนุนจากตัวสติตัวความเพียรที่สร้างสารรค์และก็ตัวสมาธิคือความตั้งมั่นแห่งจิตแม้กรุณาแม้มุทิตาและอุเบกขาเป็นต้นก็ในยะเดียวกันทั้งหมดเหล่านี้จัดอยู่ในกลุ่มสมาธิสิกขาแต่กลุ่มสมาธิสิกขาเหล่านี้ดังที่ได้กล่าวไว้แล้วว่ามีปัญญาที่เป็นระดับฌานและสมาธิถิ่นั่นแหละมาเป็นตัวเกื้อหนุนเป็นตัวปัจจัยเกื้อหนุนในการชําระ ถ้าไม่มีตัววิปัสตัวฌานสมาธิ่ถีมาชําระไม่มีตัวสมาสังกปะมาชําระแล้วเนี่ยเมตตากรุณาวิริตาและเวขาก็จะเป็นเมตตากรุณาวิติยะเวขาที่เทียมเนะนั้นตรงนี้โดยเฉพาะปัญญาจึงมีบทบาทมากที่จะทําให้สมาธินั้นมีความโดดเด่นและก็เป็นสมาธิที่มีความตรงต่อที่เป็นตัวสมาสมาธิที่ถูกต้องอย่างแท้จริงและในขณะเดียวกันแม้การให้ทานถ้าไม่ ถ้าขาดองค์ความรู้คือปัญญาถ้าอกขาดองค์ความรู้คือสภาพจีตที่จิต ท, ท, ที่เป็นไปกับเมตตากรุณาเมตตาเป็นต้นแล้วทานกุศลก็เป็นทานกุศลที่มีมีความบกพร่องเช่นการให้ทานที่เป็นฉันททานนางเคยได้ยินไหมการให้ทานที่ลำเอียงเพราะรักโทสะ ท, ทานนางการให้ทานที่เป็นไปกับความลำเอียงพเพราะโกรธโทโมหาทานนางการให้ทานที่เป็นไปกับลำเอียงเพราะหลงไม่ได้แยกแยะ แล้วก็พยาธานังการให้ทานเพราะกลัวกุรังสถานังให้ทานตามประเพณีสังกัษฐานังก็คือการให้ทานหวังสุกติโลกสวรรค์แล้วก็สมมาทานังให้ทานแล้วมันดีใจแค่เขาเป็นคราวคราวการให้ทานแบบนี้ก็มีเงื่อนไขของตัณหาความอยากได้มานะอยากใหญ่ทิฏฐิใ จ, ใจแคบมาเป็นตัวกุ้มรุมก็แปลว่ายังไม่ปราศจากความโลภธาตุมหาหรือตัณหามนานะทิฏฐิ แม้การให้ทานแบบนี้เป็นการให้ทานที่ไม่เป็นไปกับการมีปัญญามาชำระมีเงื่อนไขการให้ทานลักษณะนี้จัดเป็นบารมีก็ไม่ได้จัดเป็นทานที่ตรงตามพระศ า, าสนาก็ไม่ได้ทานที่จะถูกต้องจริงๆก็เป็นจิตตารังกาละทานางังก็ต้องมีการประดับจิตตกแต่งจิตปรุงแต่งจิตเพื่อจะพัฒนาไปสู่ศีลไปสู่สมาธิไปสู่ปัญญาหรือศีลสมถาวิปัสนาเห็นไหมแม้แต่การให้เนี่ย แม้จะการให้นะีมันจะเกิดว่าทานคือการให้ในสังขาวัตถุถ้าไม่เป็นจิตตารังการาทานังถ้าไม่เป็นทานที่ขับเน้นมาจากเมตตากรุณาวุทิตาจริงๆแล้วก็ยังมีกิเลสเจือปนในการให้อยู่เมื่อมีกิเลสเจือปนในการให้การให้ทานนั้นก็มีข้อบกพร่องมากมายเมื่อมีข้อบกพร่องมากมายก็เลยกลายเป็นทานที่มีการหวังผลประโยชน์มีตัณหาคือการให้ทานเน่ยหวังอะไรถ้าตัณหา ก, ก็หวังสุขเวทนา มีอัตตาตัวตนเป็นศูนย์กลางมาจากความไม่รู้เป็นตัวขับเคลื่อนใช่ไหมล่ะแม่ปิยาวาจาคือการกล่าวปิยาวาจาปิยาวาจาเนี่ยเป็นการกล่าวที่เป็นศีลก็ได้นะที่ไม่เป็นศีลก็ได้การกล่าววาจาเออถ้าเป็นสัมมาวาจาก็ได้มันจะมีหนึ่งคาถาสัมมาวาจาก็ได้ยินไหมการกล่าววาจาที่ดีมีเหตุผลเจตนาสัมมาวาจาการมีความเจริญจมงความจงใจตั้งใจที่จะกล่าววาจาที่ดีที่งาม แต่วิรัติส ม, มาวาจานี่เป็นตัวตัดตอนเวราเจตนาผลที่ไประเนการพูดเท็จเวลาคนจะกล่าวเท็จก็มีเจตนาชัว่วร้ายในในการจะกล่าวมีเจตนาที่ไม่ดีในการที่จะกล่าวเวลาจะกล่าวส่อเสียดพูดให้คนแตกกันก็ต้องมีเจตนาที่ชัว่วร้ารยเวลาจะกล่าวคําหยาบก็ต้องมีเจตนาที่ชั่วร้ายในกรณีการคําหยาบเวลาจะกล่าวเพ้เอเจ้อ ไร้สาระทั้งหลายเหล่านี้เพื่อจะกอบเกลื่อนความผิดทั้งตนเองเป็นต้นก็มีเจตนาที่ชั่วร้ายฉะนั้นเจตนาที่ชั่วร้ายเหล่านี้ละได้ด้วยอะไรละด้วยสัมมาวาจาร์ไอตัวสัมมาวาจาก็คือว่าเป็นตัวตัดรอนเวรเจตนาอกุศลที่ไปเหตุการ์พูดเทศสอนเสียดคำหย่าบและเพื่อเชือเป็นต้นทีนี้พอพูดถึงในเรื่องของการกล่าวเนี่ยขอยกในเรื่องเรื่องหนึ่งมากล่าวนิดหนึ่งนึงวาจาเนี่ย ในบรรดาคนที่พูดกันเนี่ยมันก็มีหลักการว่าพูดคําจริงหรือคําเท็จพูดถูกการหรือพูดผิดการพูดคําที่เป็นประโยชน์หรือไม่เป็นประโยชน์พูดด้วยโทสะหรือพูดด้วยเมตตาเป็นต้นนไหมันจะมีคํากล่าวแค่เนี้่หมายถ้าโทสะนี่เป็นตัวแทนของอกุศลทั้งหมดนะบางคนพูดแต่ว่าพูดจริงหรือพูดเท็จวิธีการก็คือว่าคนบางคนเวลาจะพูดกันเนี่ยไม่พูดจริงก็เท็จ พูดมีประโยชน์กับไม่มีประโยชน์พูดถูกการหรือไม่ถูกการถูกกา ร, ถ, กการถูกบุคคลถูกเวลาเวลาเนี่ยแล้วก็พูดด้วยโทสะมีโทสะมีความโกรธมันก็ผักการพูดออกมาหรือมีเมตตารัากปรารถนาดีมีกรุณาหรือมุทิตาเกิดขึ้นก็ผักคําพูดออกมามันจะมีลักษณะแค่4ี่สี่ประเด็นหลักใหญ่ๆนี่หมู่หมู่มนุษย์พูดกันยอมก็สังเกตดูว่าในกรณีที่เราเวลาจะกล่าววาจาออกไปแต่ละครั้งเนี่ย มีการชำระคำพูดทุกครั้งไหมหรือว่าอยากจะพูดก็พูดเลยคนส่วนใหญ่อยากจะพูดอะไรก็พูดไม่เคยคิดก่อนบอกว่าเอ๊ะเจตนานี้เป็นเจตนาชั่วร้ายหรือเป็นเจตนาที่เป็นกุศลและเป็นเจตนาชั่วร้ายเจตนาที่เป็นกุศลแล้วกล่าวคำจริงเนี่ยหรือคำเ ท, ท็จกล่าวคำเป็นประโยชน์หรือไม่เป็นประโยชน์ถูกการหรือถูกหรือผิดการพูดด้วยเมตตาจิตหรือพูดด้วยโทสะจิตเขาให้ตั้งหลักนะว่า วิธีตั้งเนะี่ยวันนี้เราไปสัมพันธ์กับเพื่อนมนุษย์เราจะเจอคนที่พูดจริงหรือพูดเท็จพูดถูกการหรือผิดการพูดคําที่เป็นประโยชน์หรือไม่เป็นประโยชน์จะพูดด้วยเมตตาจิตหรือโทสะจิตเราจะไม่ทําความขุ่นเคืองให้เกิดขึ้นค่อ <c> ย <oughs> ตั้งหลักอย่างนี้เนะี่ยจะไม่ตั้งความขุ่นเคืองความขัดเคืองให้เกิดขึ้นใช่ไหม เราจะทำจิตของเราเนี่ยให้เป็นเมตตาเราจะทำจิตของเราให้เป็นกรุณาเราจะทำจิตของเราเนี่ยให้เป็นมุทิตาให้ยิ่งใหญ่ให้ไพศาลให้ไม่มีประมาณเราจะแผ่เมตตากรุณาหรือมุทิตาเนี่ยให้เป็นไปในสรรพสัตว์ตั้งหลายอย่างยิ่งใหญ่อันหาประมาณไม่ได้ใ <c ười> ครตั้งหลักอย่างนี้เนีใครตั้งอย่างนี้โอ้โหมีพลังมากเลยใช่ ตรงนี้ก็คือพระพุทธเจ้าที่จริงอยากจะ ห, หยิบมาทั้งสูตรมา่กล่าวแต่เรื่องยาวเกินเดี๋ยวังไม่จบด้วยวไปการเล่าเรื่องไปอยากไปดูก็ไปดูในกอกจูหรือกะกะจูประมาสูตรเป็นพระสูตรที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนพระภิกษุว่าทําอย่างไรถึงจะละความโกรธได้ทําอย่างไรถึงจะละความโกรธได้เพราะความโกรธนี่เป็นปัญหามาเพราะความทำอย่างไรถึงจะลคะความโกรธ ไ, ได้ ทำอย่างไรถึงจะละความเครียดความวิตกกังวลหรือจิตจิตจิตคิดเบียดเบียนได้ทําอย่างไรถึงจะละจิตลิษยาได้เป็นต้นเนี่ยนะหรือทําอย่างไรถึงจะละจิตที่เกิดจากความกลัวเป็นต้นได้กลุมกมอคติกลุ่มพวกบาปอากุศลกรรมทั้งหลายเนี่ยทำอย่างไรเราถึงจะละได้โดยส่วนใหญ่ก็คือว่าไม่มีอุบายวิธีในการที่จะละแต่ทำคำําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะบอกวิธีการ แล้วก็จะเล่าเรื่องว่าเออจะละความโกรธให้เกิดขึ้นความโกรธที่เกิดขึ้นความคิดเบียดเบียนเกิดขึ้นความจิตลิษยาเกิดขึ้นจะละได้อย่างไรเมตตาละความโกรธกรุณาละจิตที่คิดเบียดเบียนส่วนมุทิตาละจิตที่เป็นลิษยาโมหะละจิตอะไรโมหะละละจิตประเภทนหนะโมหะก็ละจิตหลงไง ละความหลงใช่ไหแล้วก็ละความที่อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าสภาพที่ดีใจและเสียใจอะอภิชาและโทมนัตเนี่ยโมหะก็จะไปละความยินดีและยิน้ายด้วยเพราะโมหะเนี่ยเออขอไปอุเบกขานะอุเบกขานี่ก็จะไปละกลุ่มเนี่ยไปละอภิชาและโทมนัตอย่างนี้เป็นต้นเพราะอุเบกขานี่เป็นไปกับปัญญาใช่ไหมอย่างนี้เป็นต้น ทีนี้ถามว่าในในพระสูตรสูตรนี้ยกคร่าวๆนิดนึงเดี๋ยวถ้ามีเวลาอาจจะเป็นวันวันหน้าเนี่ยถ้ามีเวลาก็คือในเรื่องนี้พระพุทธเจ้าก็ทรงเล่าเออไปเห็นพระเนี่ยพระนี่ขัดเคืองออพระภิกษุรูปนึงก็คือเวลาไปคลุกคลีกับภิกษุณีพอไปคลุกคลีกันมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยก็เกิดความปฏิสัมพันธ์กันมากขึ้นมา และตัณหามานะที่ถีมันก็เกิดเวลาเราไปเกิดตัณหานี่นะไปเกิดเมตตาเทียมกับใครนี่ยนะรักใครแบบตัณเมตตาเทียมมันก็จะยึดติดว่าคนคนนี้เป็นคนของเราเป็นแม่ของเราเป็นลูกของเราเป็นสามีเราเป็นภรรยาของเราเป็นเพื่อนของเราเป็นพี่ของเราเป็นน้องของเราเป็นเจ้านายของเราเป็นลูกน้องของเราเป็นครูของเราเป็นสิทธิ์ของเราเนี่ยเวลาเราไปรักด้วยตัณหามันจะเป็นแบบนี้นะพอรักปุ๊บยึดติด อีกอย่างหนึ่งนี่ตั้หามาแล้วพอตั้หามามันตามมาด้วยอะไรตามไม่ได้มานะยกตนชูตนเปรียบเทียบตนแล้วเต็มในทิฐิก็ทัศนกติคับแคบทีนี้พอมีใครไปติ้งกั็จะไม่ได้แล้วทีนี้มีใครไปตําหนิถ้าตําหนิคนที่เรารักเนะียอมมีความสุขยั ง, ยงถ้าเรารักใครสักคนแล้วมีคนคนนั้นมาตําหนิตําหนิคนที่เรารักโอ้โหมันรู้สึกตําหนิเราถ้าเขามาชมหมายถึงชมเรา ถ้าเขาบ่นคนนั้นก็คือบ่นเราเลยมันมันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันขึ้นมาแล้วเนี่ยลักษณะแบบเนี้นะเนี่ยลักษณะอย่างนี้พอเขามาตําหนี ป, ปุ๊บเครืองไหมเครืองไม่ต้องตําหนีเรานะตําหนีคนที่เรารักแล้วก็โกรธแล้วเห็นไหมการที่เป็นเมตตาเทียมเป็นตันหาเปรมะเนี่ยมันยึดติดแบบนี้มันจึงไม่สามารถที่จะไปชําระหรือมองด้วยความบริสุทธิ์ผ่องแผ้วทําใจใสะอาดเอี่ยมอ่องได้นี่เป็นปัญหาแบบเนี้ทีนี้เราควรจะรักกันยังไงอะ รักที่เป็นเมตตารักเป็นเมตตาเพื่อทำลายโทสะแต่ในระหว่างเดียวกันก็ต้องระวังจะเป็นตัณหาเข้ามาแทรกด้วยการที่จะไม่ให้ตัณหาเข้ามาแทรกได้ก็ต้องมีอะไรมาสอบสวนมาตรวจสอบก็ต้องใช้ปัญญา ไ, ไปสอบสวนไปตรวจสอบไปวิจัยแยกแยะให้เห็นว่าเป็นตัณหาไอ้เป็นเมตตาจริงๆนี่เป็นต้นนี่เหมือนกันในพระสูตรสูตรนี้เล่าแบบคร่าวๆพระพุทธเจ้าก็ตาหนิพระที่ไปมี ตัณหาผูกพันกับเพศตรงข้ามพอไม่มีตัณหาผูกพันก็เรียกมาถามท่านก็นกนเลยรับเบสเส็จพระุทธเจ้าก็เลยสอนภิกษุเลยบอกดูก่อนภิกษุทั้งหลายว่า ง, งั้นพระเจ้าก็เลยยกตัวอย่างยกตัวอย่างว่าในกรุงราชคลีคมีมีผู้หญิงคนหนึ่งชื่อเวเทหิกนพนางเวเทหิกาเนี่ยเป็นคนสงบสงี่ยมเยียมตนเป็นคนน่ารัก มีชื่อเสียงทั่วทั่วกรุงราชคือเออเป็นคนสงบสงเงียมมากเป็นคนตะกูลดีหน้าตาผ่องใสยิ้มแย้มผ่องใสไปไหนที่ไหนคนเขาก็กกชมว่าพระนางเวเทหีเนี่ยโฉนารักมากชื่อเสียงก็กระชอนไปทั่วกรุงราชคลีทีนี้คนใช้ชื่อนางอะไรนางกาลีกาลีแปลว่าด นางกาลีก็เห็นเอ๊นายของเราเนี่ยเป็นคนสงบเสงี่ยมเจียมตนเป็นคนมีขันติเป็นคนมีเมตตาจริงอย่างที่ชาวบ้านเขาล่ำลือหรือเพราะเป็นคนสงบเสงี่ยมเจียมตนหรือเป็นคนที่มีเมตตาเพราะเราจัดการงานดีเพราะเราเนี่ยดูแลขยันหมั่นเพียรเพราะเราไม่เคยขัดใจเลยหรือเป็นเพราะเธอมีคุณธรรมข้อนี้จริงๆอ่ะ เป็นคนที่สงบเสงบเยี่ยมเจียมตนเป็นคนมีเมตตาจิตจริงๆเป็นคนยิ้มแย้มแจม่มใสเป็นคนที่มีกายก็สะอาดวาจาก็สะอาดสงบสงึงบคาว่าขันตินี่ก็แปลว่าความอดทนนะโสรจ่ะนี่แปลว่าสงบเสงเยี่ยมเฉะั้นคนที่มีขันติกับโสรจ่าเนี่ยจึงเป็นคนที่มีพลังของเมตตาสูงจะไม่ขี้โกรธจะไม่ผูกโกรธจะไม่ฆ่าจะไม่พยาบาทใช่ไหมคนใช้สงสยัย ก็อยากทดสอบเจ้านายของตัวเองทำยังไงวิธีการอันนี้ถ้าใครที่อยากจะทดสอบใครก็ลองวิธีนี้ไปใช้ดูก็เลยเอาแล้วแต่เนี้ยเธอทำไงรู้ไหมเธอก็เอาแล้วเราจะตื่นสายด้วยสักวันนะแต่ก่อนเราตื่นแต่เช้าหนิถูจัดกิจการงานเรียบร้อยแต่เช้าเธอต้องการจะทดสอบเจ้านายหญิงของเธอ เธอก็เลยตื่นสายโอ้โหอยากตื่นตีห้านี่มาตื่นเจ็ดมง <c oughs> <c oughs> เป็นเรื่องเลยไงพอ <c oughs> ตื่นสายขึ้นมาทีนี้โคนางเวเทหีเนี่ยเวเทีกามาแล้วก็นั่เรียกว่ากาลีตาเริ่มดุขึ้นมาแล้ววันนี้ทำไมถึงนอนตื่นสาย ไม่มีอะไรเจ้าค้าโอ้ตอนนี้เธอก็ทำตาดุดันขึ้นมาแล้วว่าเออทำไมทำอย่างนี้ได้ยังไงแล้นก็พูดเสียงดังขึ้นมาก็ไล่ให้ไปทำกิจกรรมเธอก็เริ่มคิดในใจว่าอ๋อนายหญิงของเราเนี่ยที่ชาวบ้านชาวเมืองเขามองว่าเป็นคนสงบสงเียมเจียมตนแท้ที่จริงไม่ใช่เจียมตนหรอกไม่ใช่คนขันติหรอกแต่ที่จริงเธอมี เธอมีเธอมีความโกรธอยู่นะเนี่ยเพราะเราแค่ตื่นสายแค่นี้เธอก็เสียงดังขึ้นมาแล้วก็มีการถลึงตามองแล้วแต่อีอยากจะรู้ว่าเธอมีปริมาณของสติสัมปชัญญะจะควบคุมความโกรธเธอได้ไหมได้แค่นี้หรือยับยั้งไม่ได้อยากจะทดสอบดูนายหญิงของเราจริงๆเริ่มไปคิดวางแผนและคนใช้ ก็เลยเอางั้นแหละอยากนั้นเลยวันนี้เราจะไม่นจะไม่ตื่นเจ็ดโมงแล้วเอาแปดโมงก็เลยทดสอบเลยอะไรนียตื่นแปดโมงโอ้โหครั้งที่สองนี่ชัดเลยนางเสียงดังอย่างแรงออกมาเลยเฮ้ยอ <c oughs> e ีใช้คำ e ว่าอีเลยนะกาลีวันนี้ทำไมถึงนอนตื่นสายตะคอกแล้วก็หน้าตาดุดันออกมาแล้วก็ ไม่มีอะไรเจ้าค้าอะไรอ่า้ <c oughs> โอเรียบร้อยแล้วเธอเริ่มรู้แล้วโอ้ไม่ใช่เธอเป็นคนสงบสงเงียมไม่ใช่เธอเป็นคนเจียมตนไม่ใช่เป็นคนมีขันติแท้ที่จริงเพราะเราจัดการงานดีเพราะเราขยันหมั่นเพียรเพราะเราทำอะไรตามใจนี่เองเธอจึงไม่มีเสียงตะวาดเสียงดังออกมาถึงไม่มีแสดงอาการความโกรธแต่ไม่ใช่เธอไม่มีความโกรธแต่นี่เธอมีความโกรธแต่อยากจะทดสอบ ว่าเธอจะหยุดยั้งความโกรธของเธอได้จริงไหมหรือหรือความหยุดไม่ได้จริงจริงทดสอบครั้งที่สามโอ้โหได้เรื่องเลยครั้งที่สามเนี่ยไม่ใช่แปดและเก้าโอ้โหงานนี้กระทือบเทา้าดาเอตเปโลลั่นบ้านเลยเดีน๋นี้แล้วไม่ใช่แค่นั้นด้วยถอดกรนประตูไว้เลยนางกาลีก็พอเรียกเรียกมาทางก็ตะโกนตอบว่าเจ้าข้าขว้างเลยตมเขาให้ ศีรษะของเธอแตกเลื่อนอาบเลยนางกาลีเอนางกาลีเธอก็เลยเอามือกลุ้มศีรษะแล้วก็วิ่งออกบ้านนอกบ้านแล้วก็ตะโกนบอกว่าท่านเจ้าข้านี่ดูบุคคลที่ได้รับเกียรติยศชื่อเสียงว่าเป็นคนสงบสงบเยี่ยมเจียมตนเป็นคนมีคันติก็เพียงแค่ชั้นตื่นสายแค่เนี้โทษความผิดก็คือตื่นสาย แต่ดูคนที่ชาวบ้านชาวกรุงราชครึพากันยกย่องว่าเป็นคนสงบสงเงียมเจียนตนเป็นคนมีมัน ญ, ญาติเรียบร้อยดูเธอทำโอ้โหวิ่งทั่วกรุงราชครึตั้งแต่นั้นมาชื่อเสียงของเธอก็ขะชนดังทั่วกรุงราชครึพระเจ้านำเรื่องนี้มาเล่าให้ภิกษุได้ฟังว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายถ้าภิกษุเนี่ย เป็นคนสงบเสงี่ยมเจียมตนเพราะการได้ที่อยู่ดีได้อาหารดีได้เครื่องนึ่งห่มดีได้ยาที่ดีหรือได้คำพูดที่ดีจากญาติโยมอย่างนั้น่ะยังไม่ชื่อว่าเป็นคนที่มีขันติสุระจะหรือเป็นคนมีเมตตาจิตก่อนถ้าปรารถนาอยากจะรู้ว่าพระรูปใดถ้าเธอนะ่อยากจะรู้ว่าตนเองเป็นคนที่สงบเสงี่ยมเจียมตนมีขันติมีเมตตา ถ้าเกิดได้ที่อยู่ก็ไม่เหมาะได้อาหารก็ไม่เหมาะได้เครื่องนึ่งผมก็ไม่เหมาะได้ยาก็ไม่เหมาะได้คำพูดที่ไม่เหมาะเธอยังสงบเสงี่ยมยังมีขันติยังมีเมตตาจิตนะแล้วจิตไม่พกพานไม่เปล่งไม่ไม่ไม่น่านิ้วคิ้วขมวนนะไม่ปากค้างสารไม่เปล่งวาจาชั่วร้ายเป็นต้นเนี่ยจิตที่เสมอราบเรียดราบเรียบ ก็เลยพระรยาก็ยกอเปมาเหมือนแผ่นดินเธอทั้งหลายเมื่อเจอสถานการณ์ที่ดีหรือไม่ดีทั้งหลายเหล่านี้เป็นต้นเธอทั้งหลายจงทําจิตให้เสมอกับแผ่นดินอันธรรมดาแผ่นดินนั้นใครเอาของสะอาดและไม่สะอาดไปราดไปรดไปเทแผ่นดินแผ่นดินก็ไม่สะทกสถานหวั่นไหวหรือถ้ามีคนถือจอบไปไปขุดแผ่นดินขุดไปแล้วก็ปริพาดไปจงอย่าเป็นแผ่นดินจงอย่าเป็นแผ่นดินจงอย่าเป็นแผ่นดิน ถามว่าเขาจะสามารถทําแผ่นดินไม่ให้เป็นแผ่นดินได้ไหมพระวอกไม่ได้พระเจ้าค่ะฉะนั้นเธอจะได้ยินคําที่พูดเมื่อไปเกี่ยวข้องกับมนุษย์หรือบุคคลทั่วไปจะไปเจอเขาพูดคําจริงหรือคําเท็จจะเจอคําพูดที่เป็นประโยชน์หรือไม่เป็นประโยชน์จะพูดถูกการหรือผิดการจะพูดด้วยเมตตาหรือโทสะเธอจงทําจิตของตนเองให้เสมอกับแผ่นดิน ตั้งมั่นไม่หวั่นไหวเปี่ยมล้นไปด้วยเมตตามีความรักปรารถนาดีเอื้ออทรทอนแล้วก็แผ่ไม่เมตตาจิตนั้นไปในทิศทั้งหลายให้สัตว์ทั้งหลา ย, ลายอันหาประมาณไม่ได้ก็แปลว่าเห็นใครเนี่ยเอาเมตตาไปจับไว้แล้วก็แผ่เมตตาให้คนนั้นปุ๊บปุ๊ปปุป๊แล้วก็ตั้งอัตยาสัยว่าท่านพวกเนี้ย ท่านจะพูดดีกับเราหรือพูดไม่ดีกับเราพูดจริงกับเราหรือไม่จริงกับเราเป็นประโยชน์หรือไม่เป็นประโยชน์ถูกการหรือผิดการพูดใจเมตตาหรือโทสะเราจะไม่โกรธท่านผู้นี้อีกต่อไปนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปไม่ว่าจะไปเจอหน้าที่ไหนสถานที่ใดตั้งอย่างนั้นนะเวลาจะแผ่เมตตานะสมมติเจอเจอยอมปุ๊บคนนี้อย่างอ้าวท่านไหนไปเจอยมเจอยอมเลยนะเจอยอม ใสบาทที่บางประมาณเขาจะพูดดีกับเราหรือไม่ดีกับเราพูดจริงหรือพูดเท็จพูดคำเป็นประโยชน์หรือไม่เป็นประโยชน์พูดอ่อนหวานหรือพูดคำหยาบหรือพูดด้วยเมตตาหรือโทรศัพท์ให้ตั้งจิตที่เป็นไปกับเมตตาว่าเราจะรักปรารถนาดีเอือ้อทอนกับโยมคนนี้ตลอดกาลและตลอดไปแม้ว่าจะไปเจอณที่ไหนแม้เขาจะแสดงพฤติกรรมอย่างไร หรือเขาจะมาชมหรือมาดา่าหรือมาทุจร้ายหรือมากราบไหว้ก็จะทําจิตให้มั่นคงตั้งมั่นกับเมตตามีความรักปรารถนาดีเอื้อตอนตลอดการและตลอดไปไม่ว่าจะไปเจอที่ไหนอมย่าว่าเดี๋ยวพบนี่ไปเจอในพบไหนก็ขอให้ใจของข้าพเจ้าจะได้มีโทสะกับท่านวันนี้เลยให้มีเมตารักปรารถนาดีเอื้อตอนตลอดการและตลอดไปโอ้ตั้งอย่างเงี้ยโอ้แต่ตั้งอย่างเงี้ยชัดเลยได้ไหมเล่ากล้าไหมก่อนกล้าคิดไหม อันดับแรกเขาให้กล้าคิดก่อนบางคนโอ้ไม่ได้ไม่ได้เราทำไม่ได้ไอคิดแบบนี้ก็เรียกดูหมิ่นตัวเองประโยชน์การฟังธรรมไม่เกิดเขาถึงห้ามไหมหล่ะการฟังธรรมมี อ, อะไรบ้างนะหนึ่งอย่าดูหมิ่นเรื่องที่พูดเอ๊ะอะไรพูดแต่เมตตาอยู่เรื่อยไม่เห็นพูดเรื่องอื่นเลยเนี่ยห้ามดูหมิ่นเรื่องที่พูด เพราะว่าจริงๆแล้วยิ่งฟังด้วยความเคารพฟังด้วยนอบน้อมฟังด้วยจิต ท, ที่ที่มีศรัทธาเป็นต้นเหล่าเนี้ยจะทําให้เราได้มุมมองข้อคิดอีกเยอะอย่าดูหมิ่นเรื่องที่พูดสองอย่าดูหมิ่นผู้พูดโอ้ท่านคนนี้ยจะรู้เรื่องอะไรหรือไม่พูดไม่รู้เรื่องอย่าไปดูหมิ่นเรื่องที่พูดสามอย่าดูหมิ่นตนเองโอ้เราคงทําไม่ได้แล้ว แม่พระจะให้เราแผ่เมตตาให้แล้วก็ตั้งว่าต่อไปเราจะไม่โกรธท่านผู้นี้จะไม่เกลียดท่านผู้นี้จะไม่คิดบิทุสร้ายท่านผู้นี้ตลอดการและตลอดไปไม่ว่าจะเจอพบเจอหนะ้าที่ไหนไหนและในพบไหนอามายกตัวอย่างนะเดี๋ยวจะยกตัวอย่างให้ฟังแล้วก็แผ่เมตตาวันก่อนก็แผ่เมตตาไปในทิศทั้งหลายแผ่ไปทั้งหมดเลยนะแผ่แผ่แ่ แ, แ, แ่ไป มีวันหนึ่งก็เออจะไปตอนนั้นจะไปที่อินเดียก็ไปที่สนามบินสุวรรณภูมิไปเห็นคนในสนามบินสุวรรณภูมิก็ทั้งความรู้สึกว่าโอ้ยท่านบุคคลเหล่านี้ที่เดินไปเดินมาไม่มีใครเลยที่เราไม่ได้แผ่เมตตาให้เราไม่ได้เคยเห็นหน้าแต่วันนี้มาเห็นตัวจริงแล้วแต่ตอนก่อนเนี้ยก่อนหน้านั้นได้แผ่ให้ทุกคนเลยแผ่เมตตารักปรารถนาดีเอื้อทอนปรารถนาให้เขมีความสุขมีอายุยืน ปาถนาก็าสมปรารถนาเขาปรารถนาทรัพย์ให้ได้ทรัพยราถนายศให้ยศได้ยศปราถนาความสุขให้ได้ความสุขให้สมปรารถนาในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อโอ้ยวันนี้มาเจอตัวจริงเขาแล้วก็ตื่นเต้นชื่นใจเออเป็นแบบนี้นะเวลาแผงเมตต า, าจริงๆยอมเป็นนี้ยอมเคยทําให้เราต้องทําดูสิไม่ต้องจ่ายตังค์หรอกเมตตาเนี่ยแผ่ไม่ตีจิตไปแค่นั้นแนหะ เนี่ยเวลาแผ่ไปแบบนี้เราจะมองทุกคนแล้วโอ้เป็นบุคคลน่ารักหมดเลยเขาจะเดินยืนเดินนั่งนอนโอ้มีไมตรีจิตแผ่เราเราเคยแผ่ให้แล้วในในความคิดแต่เราไม่เคยเห็นหน้าเขาแต่วันนี้เห็นแล้วไม่มีใครเลยที่จะติดค้างที่เราไม่ได้แผ่เมตตาเง้อย่างนี้เป็นต้นนี่แปลว่าถ้าเราแผ่เมตตาเวลาเจอหน้าใครวะเลยเข้ามาปุ๊บเนี่ยก็ตั้งความรู้สึกไว้ก่อนเลยอ๋อเราจะรัก เราจะปรารถนาดีกับท่านผู้นี้ตลอดไปแม้ว่าจะไปเจอหน้าที่ไหนไในพบไหนในที่ใดๆวันนี้เมตตาวันพรุ่งนี้ก็เมตตาเนี่ยเดือนนี้เมตตาเดือนหน้าเมตตาปีนี้เมตตาปีหน้าแม้เขาจะเป็นอย่างไรก็จะเมตตารักปรารถนาดีเ อ, อื่อตอนตลอดการและตลอดไปถ้าหากไปเจอเขาหน้าที่ไหนๆขอให้ใจของเราอย่าได้ขัดเคืองในที่ น, นี้แม้เขาจะบัทุสลายเรานะ เขาจะมาฆ่ามาทุบมาตีใดๆขอขอให้ใจเราอย่าได้ไปโกรธอย่าได้ไปอาฆาตอย่าได้ไปยาบาทจองเว้นด้านบนนี้อีกตอกตลอดการและตลอดไปทำอย่างนี้ได้เสียเปรียบไหมทำแบบนี้เสียเปียบไม่เลยเนี่ยทำจิตให้เหมือนกับแผ่นดินเนาะเออทำจิตให้เหมือนน้ำทำยังไงไม่น้ำเนี่ยไม่ให้เดือดเออแม่น้ำแม่น้าเจ้าพญา ยอมลองเอาไฟใส่ฟืนใส่ฟางใส่ถังแก๊ลอนอะไรก็แล้วแต่เนี่ยแล้วก็น้ํามันแล้วไปจุดไฟเผาในแม่น้ำเจ้าพระยาให้ในแม่น้ำเจ้าพระยาเดือดได้ไหมเอาเอาทะเลดีกว่าเอาเกิดเออเรือบรรทุกบรรทุกน้ํามัน <c oughs> เกิดไฟไหมระเบิดลุกเป็นเดือนน้ําในมหาสมุทรน้ําในทะเลก็ไม่เดือดไม่พลาแม้ชั้นใด ท่านทั้งหลายก็จงใจประดุดทำใจให้เหมือนกันน้ำไม่หวั่นไหวตั้งมั่นอยู่ในเมตตาเป็นต้นไม่สะทกสะท้านไม่หวั่นไหวไม่มีประมาณเห็นไหมจะโดนเหตุปัจจัยอย่างไรก็แล้วแต่แ ต, แต่ก็เคยไม่เคยทาไม่ใจนั้นหวั่นไหวสะทกสะท้านมีความรักปรารถนาดีไม่มีประมาณแผ่ไปในที่ทั้งหลายเป็นต้นนี่ลักษณะอย่างนี้เป็นต้น อ, อากาศก็เหมือนกัน ถามว่าทำทำใจให้เป็นเหมือนอากาศเราเอาปากกาดินสอมาเขียนบรอากาศให้ติดได้ไหมไม่ได้เลยนะเขียนยังไงก็ไม่ติดหรอกฉะนั้นจะทำให้ใจเนี่ยใจทำใจใหเหมือนอากาศใครจะมาดา่าใครจะมาพูดจริงพูดเท็จพูดคำที่เป็นประโยชน์หรือไม่เป็นประโยชน์พูดถูกการหรือไม่ถูกการนะตลอดถึง พูดด้วยโทสะหรือพูดด้วยเมตตาเราจะทำจิตของเราให้เหมือนอากาศไม่มีอะไรเข้ามาฉาบท้ายติดให้มีความวิตกกังวลใดๆเกิดขึ้นให้ใจเป็นไปกับเมตตาเสมอเหมือนให้เป็นไปในลักษณะอย่างเงี้ยอีกอุปมาหนึ่งนะเขาว่างนี้ในตำราเขาบอกว่าเอกระสอบหนังแมวกระสอบหนังแมวเขาบอกว่าเขาเอาหนังเอาอันนี้มาฟอก มาฟอกฟอกไอกสอบอันเนี้ยฟอกมันจนนุ่มเหมือนสำลีอ่ะเหมือนสำลีที่นุ่มแล้วเนี่ยเออเอาไม้มาตีมันก็ไม่มีเสียงมันเบาอ่ะมันนิ่มมันเป็นสำลีตียังไงมีเสียงดังมันก็ไม่มีเสียงดังจิตของเราเนี่ยฟอกราคาโทสะโมหะออกแล้วให้เหลือแต่เมตตาลุวน ให้เหลือแต่ ก, กรุณาล้วนล้วนให้เหลือแต่มุทิตาพอยินดีล้วนลวนให้เหลือแต่เวขาล้วนล ว, วนให้เป็นสมาธิเป็นจิตที่ใสสะอาดพองแผ้วจิตที่สะอาดขนาดนั้นเน่ยไปกระทําให้วันไหวก็ไม่วันไหวไปทําให้มีเสียงก็ไม่มีเสียงจะทําให้โกรธก็ไม่โกรธเพราะว่าเป็นจิตที่ฝึกมาดีแล้วยอมก็ทําจิตอย่างนั้นแหละ ถ้าวันนี้ยังมีความขัดเคืองอยู่ต้องรีบชําระออกชําระออกใช้ยานปัญญาใช้ข้อมูลความรู้ใช้สมาธิให้ตั้งมั่นทําจิตให้เมตาเมาเมตาเกิดขึ้นเกิดขึ้นมากมากมากพอเมตตาเกิดขึ้นเกิดขึ้นมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นพอสภาพเมตตาเกิดจนกลายเป็นมีพลังแล้วกิเลสทั้งหลายก็จะหลุดออกไปใจก็จะเป็นเหมือนกระสอบหนังแมวเนี่ยฟอกอย่างดีใสสะอาดนุ่มนวลเลยตัวเนี้ยนุ่มนวลเลย จะไม่มีความขัดเคืองอีกต่อไปไม่โกรธอีกต่อไปแล้วถ้าทํากรุณาจิตให้เกิดขึ้นเกิดขึ้นเกิดขึ้นจนใสสะอาดเมื่อไหรปุ๊บไอจิตคิดจะเบียดเบียนคิดประทุสร้ายหายเกลี้ยงแล้วไม่เหลือแล้วถ้าทําให้มุทิตาพอยินดีให้เกิดขึ้นได้อย่างแท้จริงติดต่อและต่อเนื่องปุ๊บนะก็จิตที่ฤิ์สยาเห็นคนอื่นได้ดีแล้ะทนก็จะหายเกลี้ยงทําอุเบกขาให้เกิดขึ้น จนมั่นคงตั้งมั่นไปนเสร็จในสุดจริงความยินดียินร้ายก็หายเกลี้ยงปัญญาก็มาทำจิตโอ้โหจิตใสสะอาดนี่จะแผ่ไม่ตีจิตแผ่เมตตาแผ่กรุณาแผ่มุทิตาแผ่อุเบกขาโอ้โหไม่ไม่ไมยากเลยแต่เนี้ยเ <c oughs> นี่ยพระพุทธเจ้าก็บอกว่านี่ไงเรายังมีปัญหาอยู่นะถ้าตราบใดเรายังเจออากาศร้อนก็ขัดเครื่อง อากาศหนาวจัดก็ขัดเคืองเจอคนพูดไม่ถูกใจก็ขัดเคืองไปสัมพันธ์กับพ่อแม่ปู่ตายายายายเมื่อได้สิ่งที่ไม่น่าปรารถนาก็ขัดเคืองยังโกรธยังหงุดหงิดอยู่ยังไม่สบายใจยังไม่พอใจยังริษยาไปตัสแสดงให้เห็นชัดว่าเรายังไม่ฟอกให้สะอาดยังไม่ได้ฝึกตนเองให้เข้าถึงความสะอาดบริสุทธิ์หมดจดใช่ไหมอันนี้เป็นภารกิจว่าเวลาเราไปทํากิจทั้งหลายมัวทําแต่กิจแต่จิตไม่ได้ฝึก นั่นมัต้องทํากิตไปด้วยจิตก็ต้องฝึกไปด้วยแล้วถ้าไปมัวแต่มุ่งแต่กิตกิตกิตเรียบร้อยเลยแตเนี้ยจิตเศร้าหมองจิตโกรธจิตพยาบาทจิตคิดประทุษร้ายจิตลิษยาจิตหลงจิตไม่รู้เรื่องรู้ราวโอ้ตายเลยแตเนี้โรกรุงแังเกิดแก่แล้วก็ตายไปสักแต่ว่าหายใจทิ้งไปโหเสียหายมาก วันวันหนึ่งแทนที่จะได้ประโยชน์จากการได้สภาพจิตที่ดีเนี่ยสักแต่ว่าหายใจทิง้งโอ้ว่างั้นถ้าในสมัยค้างพุทธกาลเนี่ยในควานกุรุอ่ะปัจจุบันก็คือเดลีอ่ะเขาจะถามกันนะเวลาเจอหน้ากันคุณจเจริญสติปัฏฐานข้อไหน <c oughs> คุณได้จเจริญเมตตาไม่จเจริญกรุณาไม่จเจริญมุธิตาไม่จเจริญเบกขาไม่ก็เจอหน้ากันเขาถามว่ากลุ่มพวกเนี้ย กายกรรมวจิกรรมโมนโนกรรมคุณสะอาดบริสุทธิ์หมดจดไหมคุณฝึกกรรมาฐานยังไงหรือคุณมัวเมาแต่ทําแต่กิ จ, จา ก, การงานจิตคุณไม่ได้ฝึกใช่ไหมถ้าเขาถามว่าโอ้โหช่วงนี้งานยุ่งไม่ได้ฝึกจิตเลยมัวแต่ทํากิจโอ้โหเขาจะมากันสามสี่ห้าคนแล้วก็มาตําหนิโอ้โหพระสามมาสมพุทรเจ้าเป็นพระทหารเป็นผู้ไกลจากกิเลส แตสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองเป็นผู้ถึงพร้อมดน ว, วิชา 8. ปดจรณสิบอุบัติเกิดขึ้นแล้วพระธรรมก็บัติเกิดขึ้นแล้วหมัวอริยาสงสาวกพากันได้เขาสร้างชุมชนอริยะสงสาวกกันเต็มไปหมดแล้วท่านเนี่ยพระรัตนตรัยอุบัติเกิดขึ้นมาเนี่ยไม่ได้ประโยชน์จากการอุบัติเกิดขึ้นแต่จากพระรัตนตรัยเลยท่า น, นมีชีวิตอยู่เนี่ยสักแต่ว่าหายใจทิ้งไปวันๆเน่ยถึงมีชีวิตอยู่ก็ชื่อว่าตายแล้วเหมือนคนที่ตายไปแล้วว่างั้นโอ้ก็ตําหน่งยเหมือนคนตายอ่ะ มีประโยชน์อะไรเน่าในเปียกแฉะมีแต่ราคะโทรศัพโมหะเกิดขึ้นมีแต่บาปขอุศุลกรรมเกิดขึ้นกา ร, รช่วยร้ายเกิดขึ้นเกิดมาไม่ได้ชำระกระแสชีวิตตนเองให้สะอาดบริสุทธิ์หมดจดเลยน่าเสียดายแท้เ ข, เขาทำหนี้อย่างนี้เลยนะเนี่ยเาจะพากันไปลุมลุมเขาไม่ต้องการสังคมแบบนี้เขาต้องการต้องการสร้างสังคมที่เป็นอารยาชนเขาโอยเขาพากันตําหนิแล้วก็ปอบโยนอย่าทำอย่างนี้อีกนะเสียหายมากอุบัติ พระเจ้าอุบัติเกิดขึ้นแล้วพระธรรมอุบัติเกิดขึ้นแล้วพระเรียสงอุบัติเกิดขึ้นแล้วเขาก็พากันปอบโยนให้กำลังใจของยอดญาติญาตต่อไปจะไม่ประมาทอีกแล้วโอ้เขาจะไม่ประมาทแล้วทีนี้ถ้าบอกว่าไปเจอคุณคุณจเจริญสติปัฏฐานข้อไหนอ๋อฉันกําลังเดินพรหมวิหารอยู่เขาจะพากันยกย่องชื่นชมโอ้ดีแท้น่าชื่นใจแท้ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าอาุบัติเกิดขึ้นมาเธอได้ได้รับประโยชน์อย่างแท้จริงขออนุโมทนามุมตตากับเธอด้วยนะเอาแล้วเดินวิปัสสนาญาณได้หรือยังกำลังจะถึงอยู่แล้วโอ้รีบทำไม่ได้นะนี่ <c ười> เขาจะปึกเขาจะแนะนำกันขนาดนั้นเขาเจอหน้ากันก็จะคุยกันคุณได้กี่มักได้โสดาบันหรือยังสกาถาก็คุยกันแบบนี้ปัจจุบันเนี่ยได้กี่มัก <c ười> ได้มักเดี๋ยวมักอะไรมักไม่ดีมิจฉามัก เสียเลยตัวนี้คือมิจฉาทิฐิเป็นตัวไปโดนตำหนิไอ้ตรงนี้เห็นไหมสังคมมันบีบทีนี้ประเด็นก็คือว่าเราไม่สามารถที่จะสร้างสังคมแบบนี้ขึ้นมาได้แล้วกป็ปล่อยปล่อยป่าละเลยจากนี้แหละปล่อยให้เริ่มคนไม่ดีมาหนึ่งคนจากหนึ่งคนก็ไปขยายแพร่เชื้อความไม่ดีนะเข้านะเข้าความไม่ดีก็เลยเต็มไปหมดเลยเอาละแต่เนี้ยอันนั้นมันสาเหตุแต่เราจะสร้างสังคมยังไง ตรงนี้ในพระสูตรส่วนนี้ยกมาแบบคร่าวๆเพื่อให้เราได้เห็นมุมข้อคิดว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเวลาไปเจอบุคคลที่ไม่ดีจริงก็จะเอามายกให้พระภิกษุสงฆ์ได้เห็นแล้วก็ให้ตระหนักพึงสังวรว่าอย่าเป็นแบบนั้นแล้วก็กํากับพุทธบริษัทว่าเราต้องเราต้องพยายามฝึกตนเองทีนี้เอาพูดถึงในเรื่องของสังคม สังคมที่มีเมตตากรุณาเมตตา ม, มากจะเป็นสังคมที่มีความรักปรารถนาดีเกื้อกูลแก่กันจัดว่าเป็นสังคมที่มีน้ําใจมากคนก็จะมีน้ําใจแก่กันทําให้จิตใจของคนในสังคมนั้นอบอุ่นชุ่มชํามีความสุขสบายไม่ต้องคอยระแวดระวังว่าจะมีใครจะมาทําร้ายหรือว่ามาลักทรัพย์เป็นต้นอะไรเนี้ย ในศิลาจารึกพ่อคุณลามคาแหงที่เขียนเขาไว้บอกว่าในน้ำมีปลาในนามีข้าวเคยได้ยินไหมแล้วก็บอกไปไหนมีไม่มีโจนผู้ร้ายไม่มีการฆ่าสัตว์ไม่มีการฆ่ากันไม่มีการลักไม่มีการประพฤติผิดในการมไม่มีการกล่าวเทจไม่มีการกล่าวส่อเสียดไม่มีการเอาของมึนเมาใส่ในกระแสชีวิตใช่ไหมสังคมในยุคนั้นน่ะ แล้วก็บอกว่าแม่ลูกอ่อนสามารถเอาเด็กมาเต้นอยู่บนอกได้อย่างสบายใจไปไหนไม่ต้องปิดประตูเรือนสังคมเลยยกนึงเออสังคมที่เป็นอย่างนั้นน่ยสอดคล้องกับสังคมที่อยู่ในสมัยขั้วพุทธการในสมัยขั้วพุทธการตอนที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าอุบัติเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยประกาศหลักการพระศาสนาหมุนกรงรอพระธรรมจกักรเริ่มตั้งแต่ปลายศตวรรษที่11บริขศรยวันแขวงเมืองปราณาสี สามารถทําให้พระดอหานุบัติเกิดขึ้นมาหกสิบรูปใช่ไหม <c oughs> แล้วก็พลาดจากพลาดอาหารหกสิบรูปนี่แหละพระพุทธเจ้า ก, ก็บอกว่าให้จาริกไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ชนหมู่มากให้ไปประกาศหลักการบุคคลที่มีทุลีในดวงตาเบาบางมีอยู่บุคคลนั้นจะเสียประโยชน์คําว่าทุลีในที่นั้นก็คือบุคคลที่มีปัญญามีอยู่บุคคลที่ไปมีศีลสมาธิปัญญาเป็นพื้นฐานมีอยู่บุคคลที่กิเลสเบาบางมีอยู่นะ ถ้าพวกเธอไม่เอาประโยชน์ไปให้เขาโดยเฉพาะประโยชน์ตาเห็นประโยชน์เลยตาเห็นประโยชน์อย่างยิ่งเนี่ยเขาจะเสียหายเลยถ้าไม่เอาศีลไปบอกเขาไม่เอาสมาธิไปบอกให้เขาฝึกไม่เอาปัญญาไปบอกให้เขาว่าจะฝึกศีลสมาธิปัญญาให้เกิดขึ้นอย่างไรเขาจะเสียหายมากเพ่อหมูสัตว์ทั้งหลายไม่สามารถที่จะขับเคลื่อนหรือรู้เองได้เหมือนพวกเธอเนี่แหละถ้ายังไม่เจอพระพุทธเจ้าไม่ได้เจอคําสอนของพระพุทธเจ้าเธอก็รู้เองไม่ได้ ฉะนั้นเมื่อพวกเธอได้ประโยชน์จากการเข้าถึงพระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจา้าเธอจงเร่งจาลิกไปอย่าไปอย่าไปที่เดียวสององนะถ้ารูปหนึ่งกำลังกล่าวคำสอนแนะนำชาวบ้านอยู่เนี่ยอีกลูกหนึ่งยืนเฉยเยเสียบุคลากรเราต้องเผยแผ่ให้เร็วที่สุดเรามีเวลาจำกัดชีวิตเราเนี่ยมีเวลาจำกัดมากเราไม ใ, ใจจะขาดเมื่ อ, อไรก็ได้เมื่อเธอได้สัมผัสพระธรรมได้ดื่มด่ารสของพระธรรมแล้ว ได้ดื่มด่ําศีลสมาธิปัญญาศีลกําจัดโทสะโทสะของเธอหมดไปแล้วสมาธิกาจัดราคะความกําหนัดราคะความกําหนัดหมดไปแล้วปัญญากําจัดโมหะโมหะคือความมืดบอดหมดไปแล้วเมื่อมนุษย์เนี่ยเมื่ อ, อพวกเธอเนี่ยราคะความกําหนัดโทสะความโกรธโมหะความมืดบอดหลุดไปจากกระแสชีวิตเหลือแต่ศีลสมาธิปัญญาเหลือแต่ เมตตากรุณาผู้ดตาอเบกขาเป็นต้นเหลือแต่คุณธรรมทั้งหลายที่ประชุมในกระแสชีวิตของเธออย่างนี้แล้วเธอจงไปบอกวิธีการเขาว่าจะสามารถทําลายราคะโทสะโมหะหรือบาปอุปโกรรมบรรทุกไรอย่างไรเขาจะได้เป็นอิสระเสรีภาพเสีทีเขาจะได้ไม่ต้องเป็นทาตของกิเลต ช, ชีวิตเขาจะได้ปลอดภยัยจากสังคมที่เป็นอนาระยะเขาจะได้เข้าสู่สังคมที่เป็นอนาระยะชน พระพุทธเจ้าก็บอกโอพระเหล่านั้นรับองค์การพระพุทธเจ้าก็พากัญชาล็กไปห้ประกาศเยผยแพ่เต็มไปหมดเลยฉะนั้นสังคมชมพูทวีปโดยเฉพาะแฟนมคตแป๊บเดียวแค่นั้นแหละเห็นไหมชดินสามพี่น้องพร้อมได้บริวารหนึ่งพันได้บรรลุเป็นบ้านอาหารพระเจ้าพิมพิสารพร้อมได้บริวบริวารสิบสองหนหุ่ก็คือแสนสองหมื่นแสนหนึ่งหมื่นได้บรรลุแล้วในพรรษานั้นศาจำแล้วเวอัตเวรุวัวววน แล้วเผยแพ่ประทับที่เขาคิจจกดบ้างชีวะกะอัมพวันบ้างเวรุวันบ้างเผยแร่อุย้ยคนบรรลุกันสร้างสังคมปุบปุปบเพียงปีสองปีแค่นั้นเนะสิจากประชากรร้อยเท่าไหร่ร้อยแปดสิบล้านสังมคมแฟนบางคนในยุคนั้นกนะว้างไกลมากแปดสิเปอร์เซ็นภเป็นพระรยาแปดสิเอร์ซน <c oughs> นะ โอ้โหขนาดนั้นเลยแล้วก็นู่นหนึ่งแผ่ไปแผ่ไปถึงฟานโกศนเฉพาะสาวถีอย่างเดียวตามตำราบอกว่าไงเอเฉพาะสาวถีตถะมีประชากรเจ็ดสิบล้านห้าสิบล้านห้าแสนเป็นภ้ารืยัไม่ต้องพูดถึงแฟานอื่นไม่ต้องพูดถึงแฟ้นไพลเอเวสาลีไม่ต้องพูดถึงฟานสักกาฟานสักกาที่เห็นชัดเออแฟ้นอสักยะ กบิลพัทเห็นได้ชัดเลยตอนที่พระเจ้าวิถูรทพารวบเอากองกำลังไปรบทหารกบิลพัทไม่ฆ่าไม่ไ ม, ไม่ไม่ลบเลยมามาต้านกำลังไว้ไงมาทานกำลังไว้แล้วที่แรกก็คือยิงใช้ลูกศรยิงคือพระเจ้าวิทูรทพาพร้อมด้วยทหารยืนอยู่เนี่ยสามารถ เป็นนักรบที่เก่งกาจมากชกการชาการมากเพราะสมัยที่พระโพธิสั์พระพุทธเจ้ายังเป็นโ พ, พธิสัตวอยู่ท่านสอนได้หมดท่านเก่งมากสอนกำลังวางแผนการรบไป้หมดเลยตอ น, นยุคนั้นนะเก่งมากคือสามารถคนยืนอยู่เนี่ยยิงเนี่ยอย่างรวดเร็วยิงธนูปุ๊บปุ๊บเนี่ยเป็นรูปคนเลยคือยิงไม่ถูกนะว่ายิงเป็นศีรษะเป็นลำตัวเป็นแขนเป็นขาติดที่ต้นไม้ได้เลย เป็นรูปเออโวไอคนที่โดนยิงสั่นปั๊บมาเป็นลมลม้มลงเลยขนาดนั้นเลยความเร็วแล้วแม่นายําขนาดยิงเป็นรูปคนได้เลยนี่ความเร็วความแม่นายาํำนถะ้ารบจริงๆก็ชนะแต่ท่านไม่ฆ่ายิงขู่ยิงให้รู้ว่าฝีมืออะขนาดเนี้ยอย่ามาต่อก่อนนะว่างั้นเถอะอย่ามาต่อก่อนเลยคนละชั้นเลยวังงั้นเถอะความเร็วความเก่งขนาดนั้นเถือ่อนี่บ่งบอกว่า ถ้าพระพถ้าพระพุทธเจ้าไม่บวชก็เป็นหมาบนาดเป็นจักระพัดนี่เป็นต้นแต่ท่านไม่ฆ่าตอนนั้นพระเจ้าวิถุตภะรู้แล้วว่าทหารในก้อนนี้ไม่ฆ่าคนลรอกเพราะรู้เป็นพระรยาก็เลยบอกว่าไหนว่าไม่ฆ่าคนท่านก็ลองดูที่ทหารท่านนะมีใครตายมีเลือดหยดสักหยดไม่ไม่มีเลยโอ้โหพอรู้ความจริงอย่างนั้นเรียบร้อยเลย รีทาทับบทขยี้ฆ่าตายเกลี่ยงแต่ก็วิบัติหมดเลยพระเจ้าวิถุรภะ พ, พร้อมด้วยกองกาลังทางหารที่ไปฆ่ากลุ่มคนระดับที่เป็นอริยคุณเซ น, นามิหนุนมานอนใกล้ทะเลเซนามิหนุนทับตายทั้งกองทัพไอ้พวกที่ไม่ฆ่าสาัตว์ไอ้พวกที่ไม่ยอมฆ่ากลุ่มที่ไม่ฆ่าไม่ตาย มดกัดแล้วก็หนีขึ้นไปบนภูเขาหนีไปที่สูงเลยหนีน้ําทันพวกนั้นตายหมดเลยนิกรรมมันให้ผลขนาดนั้ น, นไปข้าวละไรอะไรอรยะอระไม่เล่าตรงนั้นแต่ชี้เห็นตรงเนี้ว่าเนี่ยสังคมพี่เป็นสังคมที่เป็นตั้งมั่นในพระธรรมทีนี้ชี้เห็นว่าถ้าเราในปัจจุบันน่ในปัจจุบันเนี่ย ถ้าเราไม่สามารถที่จะสร้างสังคมที่เป็นเดินพรเมิหารได้จริงเนี่ยแย่ยับเยินหรือเอาสังคมที่มีเมตตากรุณาเมตตาจริงๆนะสามารถเดินเมตตากรุณาเมตตาเนี่ยก็เป็นสังคมที่อยู่กันด้วยความรักปราถนาดีเ อ, อื้อทอนต่อกันแล้วก็สามัคคีกันสุด ก, ก็คือว่าสังคมที่มีเมตตากรุณาเมตตาเนี่ยก็จะเป็นสังคมที่เ อ, อื้อเฟื้อเผื่ อ, อแผ่ ไม่ทำร้ายกันไม่ทำร้ายกันไม่เบียดเบียนกันไม่ทำร้ายทรัพย์สินไม่ทำร้ายอาวุธไม่ทำร้ายชีวิตแต่มีปัญหายัางไงมั้ยถ้าเป็นมีเมตตากรุณาุมตตาแต่ขาดอุเบกขาถ้าขาดอุเบกขาเป็นไงสังคมมันก็จะมีประเด็นปัญหาอีกเขาถ้าขาดอุเบกขามาดุลไว้มาคุมไว้ก็เป็นแปลว่าไง ความถ้าไม่มีตัวอุเบกขามาคมไว้ก็กลายเป็นสังคมที่อ่อนแอเช่นสังคมที่มีแต่เมตตามีกรุณามีพุทธิตาต่อกันนี่นะเป็นสังคมอ่อนแอหวังพึ่งหวังพึ่งคอยรอให้คนอื่นช่วยไม่เข้มแข็งเห็นไหมมันมันเสียอย่างนี้นะ ถ้ามีแต่เมตตาต่อกันกรุณาต่อกันมุทิตาต่อกันไม่มีปัญญาไปนั่นเป็นเมตตาที่มันเอียงมันชําระมันเป็นเมตตาที่ไม่เมตตาแท้ๆ แ, แล้วมันถ้าไม่มีอุเบกขาไปดุลเขาไว้มาคอยกํากับเข้าไว้เยมันก็เลยเป็นสังคมที่ชอบหวังพึ่งคนอื่นคือคนจํานวนไม่น้อยในสังคมที่มีกิเลสอย่างปุถุชนเนี่ยหวังพึ่งคนอื่นใช่ไหมมาคอยช่วยเหลือ คอยหวังให้คนอื่นมาเกือ้อกูลเรามาช่วยเหลือเราเนี่ยมันก็กลายเป็นสังคมที่เฉยชาเป็นสังคมที่เฉยชาแลวไม่กระตือหรือร้อนและที่เสียหายกว่า น, นั้นก็คือเป็นสังคมที่ไม่รักษากฎเกณฑ์กติกาไม่รักษาระเบียบชอบทำลายระเบียบเพราะถ้าระเบียบนั้นมันจะเป็นเครื่องมันจะทาให้ตัวเองเดือดร้อน พอจะทําให้ตัวเองเดือดร้อนก็เลยบอกเฮ้ยทำลายระเบียบทิ้งเสียเปลี่ยนระเบียบใหม่ๆเดี๋ยวก็เปลี่ยนระเบียบเดี๋ยวก็เปลี่ยนระเบียบอยู่นั่นแหละในครอบครัวใดที่มีแต่มเมตตากรุณาต่อกันมุติตาแก่การตังเกตะด้วยเจ้ า, าไม่ค่อย ร, รักษากฎเกณฑ์กติกาและเป็นสังคมอ่อนแอนาา้น า, าก้าว้าก้ระหวังพึ่งกันลูกก็อ่อนแอเช่นอลองดูนะอะไรก็มเมตตาอย่าเป็นนะรักป ร, ราดธนาดีเอือตอนบางทีไปทําผิดเนี่ยโลกไปลูก ลูกไปลูกไม่เรียนหนังสือเ อ, อไม่เป็นไรหรอกสองสารลูกอย่าไปบังคับอย่าไปให้เขาเรียนเลยอ่สองสารลูกอลูกไปทํางานไม่ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวแม่ทําให้เดี๋ยวพ่อทําให้อ่อนแอเลยแต่เนี้ยสังคมอย่างเงี้ยนี่เห็นเป็นสังคมที่มีแต่เมตตากรุณาเผื่อหนักเข้าบางทีเสียหายเนี้ยนะลูกไปลักขโมยเข้ามาเออเก่งลูกดีใจด้วยเสียอีก นี่สังคมที่ขาดอะไรเนี่ยก็เลยตกอยู่ในความประมาทเนาะตกอยู่ในความประมาทหวังพึ่งคนอื่นเฉยชาไม่กระตือรือร้นหนักไม่เอาเบาไม่สู้อันนี้เสียหายอีกทีนี้ไม่สามารถที่จะรักษาหลักการไว้ได้เพราะคนก็จะช่วยกันละเมิดเลยตอนนี้ เป็นเหตุ่งการละเมิดเนาะละเมิดกฎเกณฑ์กติกาละเมิดอะไรต่อมาละเมิดกฎหมายเอ้าประเทศไทยเป็นประเทศที่ขาดอะไรขาดอะไรขาดยอมต่อเองนะขาดขาดข้อไหนขาดอุเบกขาใช่ไหมสังเกตดดมั้มเราชอบเปลี่ยนกติกากันบ่อยั้ยบ่อยมากรักษากติกาก็ไม่ได้โอ้เสีย เออทีนี้ประเด็นมันก็มีอย่างนี้นะเดี๋ยวต่อถ้าสังคมญี่ปุ่นนะสังคมญี่ปุ่นเป็นยังไงลองช่วยวิเคราะห์หน่อยทยี่ญี่ปุ่นแพ้สงครามอยู่มั้แต่ญี่ปุ่นเนี่ยเก่งญี่ปุ่นเนี่ยสามารถจับคนมารวมกันได้แล้วก็ประสานใจคนให้รวมเป็นหนึ่งได้แล้วก็ญี่ปุ่นต้องมาก่อน นั้นเวลาเขามีเขาจึงมีจดหมายร่วมทีนี้มัวมีจดหมายร่วมเนี่ยแต่ประเด็นก็คือว่าปัญหาสังคมเขาก็ตามมาค่อนข้างเยอะเยอะยังไงเยอะก็คือว่าเป็นสังคมที่เครียดเป็นสังคมที่ต้องกระตือคือต้องเอากฎเกณฑ์กติกามัเป็นตัวตั้งเหมือนกันแล้วก็จริงๆเขาก็มีน้ําใจนะเป็นสังคมมีน้ําใจพอสมควรนะ ไม่ใช่ไม่มีนะแต่การที่ไม่ได้เมตตาแท้กรุณาแท้มุทิตาแท้และเวขาแท้โดยเฉพาะไอตัวเวขาเนะี่ยมันไม่แท้เนี่ยพอไม่แท้ขึ้นมามันก็เอียงมันก็เอียงไปสู่ความเครียดเอียงไปสู่ความเครียดยังยกตัวอย่างเช่นว่าถ้าเขาทําไม่ประสบความสําเร็จเนี่ยกล้าควานท้องตัวเองเลยเคยเห็นใช่ไหม โอ้โหในยกนั้นเน่ที่พ่ายแพ้ทั้งหลายอลไเนี้ยพอตอนจักรพรรดิประกาศพ่ายแพ้ในยุคนั้นโอโ้ใช้มีดขวานท้องตัวเองเนี่ยร่มเครียดคือว่าจริงจังกว่านั้นแตทำไมสอบสุดเลยตายดีกว่าอะไรเงี้ยมันก็ดูมันเด่เนนะแต่จริงๆไม่ดีเนี่ยลักษณะแบบนี้มันก็เลยมีจุดเด่นและจุดด้อยในตัวเองก็คือว่าการจริงๆก็ขาดนะเมตตา ก็อาจะเป็นเมตตาเทียมรักเฉพาะพวกพ้องและกรุณามุทิตาทั้งหลายเลยนี่เป็นต้นเหล่านี้ส่วนอุเบกขาก็กลายเป็นสุดโต่งไปอีกเหมือนกันอย่างนี้เป็นต้นก็ยังไม่ได้ประสบความสําสเร็จก็ยังมีปัญหาสังคมตามมาค่อนข้างเยอะแต่เห็นชัดเลยอีกสังคมหนึ่งก็คือสังคมอเมริกันเนี่ยอเมริกา น, น, นี่เป็นสังคมบุกฝ่ากเขาต้องหนีจากยุโรปโอ้โหต้องไปฝ่าฟันในการที่ไปบุกฝ่าสู้กับอินเดียนแดงเนี่ย เขาบอกว่าปีละสิบใหม่นะเนะียปีละสิบใหม่สู้บุกฝ่าอยู่สามร้อยปีนะสามพันไหม่โอ้โหได้ดินแดนอย่างมโ์ลาเขาเขาปลูกฝังอัธยาศัยบุกฝ่าพันฝ่าต่อสู้เนี่ยใช่ไหมต้องลบทะอินเดียนแดงแล้วก็ต้องลบกับกัวสสเปนบ้างฝรั่งเศสบ้างทั้งหลายหเหล่านี้ยมาตรบหลังอีกโอ้โหต้องต่อสู้ดินน้นรน ฟันฝ่าที่จะสร้างสังคมขยายพื้นที่่องเขาเขาจึงเป็นสังคมที่บุกฝ่าค่อนข้างมากเนสังคมเนี่ยทีนี้การที่จะเป็นสังคมที่บุกฝ่าแล้วก็ต้องต่อสู้เขาต้องสร้างกฎเกณฑ์กติกาขึ้นมาโอ้โหยอยู่ด้วยกฎเกณฑ์อยู่ด้วยกติกาก็เลยเอียงไปทางอุบเขาอีกทัเนี้ยนะก็านาก้าก็ขาดเมตตากรุณาก็อย่างทุกวันนี้เราก็เห็นว่าสภาพสังคมก็เป็นไปลักษณะอย่างนั้น ก็ไม่ได้ดุลยภาพอีกทีนี้สิ่งที่ควรจะเป็นก็คือว่าเราจะสังคมไทยเราพยายามอยากจะเป็นให้เหมือนกับอเมริกาหรือเป็นเป็นสังคมกฎระเบียบต้องการรักษากฎเกณฑ์กติกาพอเราไปเอากฎเกณฑ์กติกามาเนี่ยเราก็ทิ้งอะไรทิ้งเมตตากรุณา เพื่อจะไปถึงให้อุเบกขาไปไม่ถึงอีกตอนนี้เสียหายเลยเมตตาก็หลุดการุณาก็หลุดมุติตาก็หลุ ด, ด, ล ด, ลดอุเบกขาก็ไปไม่ถึงเลยหลุดหมดเลยแต่เ น, นี้ยต้องรอ <c oughs> เลยเป็นสั ง, งคมคขวนแควงเลยแต่เนี้ยติดสิ่งเสษติดวัตถุอะไรต่างแลวติดทิฏฐิอะไรก็ไม่รู้ไปไปเป็นโกกเป็นกลุ่มเป็นเหล่าเลยแต่เ น, นี้ยอ้าวอะไรแต่ เ, เต น, นี้ยไปไม่รอดกลับมาตั้งหลักกันใหม่ <c oughs> งั้น การตั้งหลักใหม่ก็คือว่าทำอย่างไรที่เราจะได้เมตตาแท้การุณาแท้มุทิตาแท้แล้วก็ได้อุเบกขาแท้ๆ ท, ที่จะทำให้พรหมวิหารเกิดขึ้นในกระแสชีวิตได้อย่างแท้จริงถ้าทำได้โอ้โหดีเลยแต่นเนีย่อย่างที่ได้บอกไปแล้วว่าถ้าเราไม่ชานฉลาดในการที่จะทำให้กระแสชีวิตของเราท่านทั้งหลายเนี่ย แข็งแรงและมั่นคงด้วยธรรมะแล้วใช้ธรรมะไม่ถูกเราก็ไม่สามารถที่จะเข้าถึงความสุขได้อย่างแท้จริงก็กลายเป็นภาวะเป็นความสุดต่งดัที่ได้กล่าวไปแล้วเนี่ยในถ้าเป็นเมตตาเกิดขึ้นจริงๆก็สังเกตดูด้วยว่าโทสะต้องถูกทำลายไปแล้วถ้าเป็นเมตตาเทียมก็เป็นตันหาราคะเข้ามาแทนที่เพราะมันใกล้เคียงกันมาก มันใกล้เคียงกันก็คือว่าเนี่ยต้องการให้เห็นนะว่าไอตัวตัวเมตตาเนี่ยสมบัติและวิบัติของเมตตาอะไรเป็นสมบัติของเมตตาอะไรเป็นความสมบูรณ์ของเมตตาความไร้ความเครียดแค้นชิงชังนะไร้ความเครียดแค้นชิงชัง ก็หมายความว่าถ้าตัวเมตตาสมบูรณ์จริงๆวัดผลได้ตรงที่ว่าโทสะพยาบาททั้งหลายหลุดไปจากความจักใจตอนนั้นจิตก็จะเ อ, อิบอิ่มไปด้วยเมตตาความรักความปรารถนาดีเอื้อทรกกำจัดตัวตัวโทสะได้แล้วในขณะที่เมตตาเกิดขึ้นมาก็จะเป็นใจก็จะสะอาดสว่างเหมือนกับพระจันทร์วันเพ็ง ได้ภาวะที่มีปียามนาปัสสัตะวะบัญญัติเป็นอารมณ์ก็คือว่ามีศาสตร์อันเป็นที่รักเนี่ยเป็นเป็นเป็นที่เลลึกถึงแล้วอะไรเป็นวิบัติเป็นความเสียหายของเมตตาสินีหะไอตัวราคะตัวนีรบบราา้รักแบบราคะรักแบบเราราคะเนี่ยรักว่าแม่เราพ่อเราลูกเรามียาสามีอะไรไปรักแล้วยึดติดเป็นสินหะ เป็นยางเหนียวที่ฉาบติดดูเหมือนเมตตาแต่มันจํากัดรักเฉพาะคนนี้มันไม่สามารถที่จะเคลื่อนความรักจากคนนี้ไปหาคนอื่นได้เพราะมันเริ่มยึดติดเฉพาะคนนี้รักมากรักมากอะไรก็แล้วแต่ไอ้กรณีนี้เขาเรียกว่าตันหาเปรมะคือเรียกเวนซีเนหะอันนี้เป็นวิบัติไม่ใช่สมบัติซีเนหะหรือตันหาเนี่ยเป็นวิบัติของเมตตา เป็นความเสียหายของเมตตาและอยู่ใกล้คิดเมตตามากคนบางคนไปเจริญเมตตาเจริญไปเจริญมาไอตัวสิเนหะตัวเมตตัวตันหามากุ้มรุมเบ็ดเสร็จก็ยังสำคัญว่าเป็นเมตตาอยู่นั่นเลยนะข้านะข้าก็เลยกลายเป็นติดล็อกติดหล่มเมตตาไปไม่ได้ไอเมตตาตัวนี้เลยไปไม่ได้เนี่ยมันก็เลยกลายเป็นรักเฉพาะพวกพ้องนี่รักเฉพาะพวกพ้องนี่เป็นอย่างนี้ อทีนี้ไปดูไปดูกรุณานดูการุณ า, นะ า, ณายอมดูในแผนผังเลยนะไอตัวกรุณาเนี่ยสมบัติความสมบูรณ์ของกรุณาดูตรงไหนสามารถสงบสงบให้ตัววิหิงสาจิตที่คิดเบียดเบียนน่จิตคิดประทุสล้ายหลุดไปได้จากใจกรุณาเกิดขึ้นอย่างเต็มปียมมีความการุณา สงสารปราถนาให้สัตว์พ้นทุกข์ฉะนั้นถ้าทํากรุณาเต็มเปี่ยมในใจได้แล้วเขาก็จะไปทําลายวิหิงสาจิตคิดเบียดเบียนนั่นแหละถ้าดูว่ากรุณาสมบูรณ์หรือไม่สมความสมบูรณ์ก็กรุณาก็ดูว่ายังมีจิตคิดปัทศลายเขาอยู่ไหมคิดเบียดเบียนเขาอยู่ไหมคิดไม่ดีกับเขาไหมเนี่ยแล้วอะไรเป็นความวิบัติของกรุณาวิบกรุณาเสียหายตรงไหนทมานัตรักแม่ ไปขนขวายแต่พ่อแม่เจ็บป่วยช่วยแม่ไม่ได้เสียใจรักพ่อช่วยกรุณนาพ่ อ, พ, อพ่อช่วยไม่ได้ทรมนะัสเสียใจเนี่ยเป็นความวิบัติหมดเลยนะรักเพื่อนช่วยเพื่อนไม่ได้ทรมนัสเสียใจรักสามีช่วยสามีไม่ได้ทรมนัตลองไห้เสียใจรักภรรยาช่วยภรรยาไม่ได้รักลูกน้องช่วยลูกน้องไม่ได้รักเจ้านายช่วยเจ้านายไม่ได้ทรมนัอันนี้เป็นความวิบัติ นี่นี่ความวิบัติของกรุณาเป็นแบบนี้เห็นนี่ยังนั้นต้องพยายามสังเกตให้ดีนะอภิการต่อมาก็มุ่ทิตามุ่ทิตาต้องสงบสงบให้ตัวฤทิ์ยาเห็นคนอื่นได้ดีถูกไหมไจิตที่คิดฤทธิ์ยาเนี่ยสงบราบคาบไม่มีเหลือเลยมุ่ทิตาพอยินดีมีสุขกิตสัตว์เป็นอารมณ์เนี่ยเกิดขึ้นอย่างเต็มเปี่ยมในจิตใจเลยเต็มล้นเปี่ยม แร่ไปอย่างกว้างใหญ่ไพศาลทุกประเภทได้จริงไม่ว่าจะให้ตนเองให้กับคนที่เราเคา ร, รพให้กับคนที่เรารักให้กับคนที่เป็นกลางๆไม่แต่ให้กับศัตรูก็ไม่ลิสยาได้มุทิตาพอยดีได้อันนี้เป็นสมความสมบูรณ์ของของของมุทิตานะแล้วอะไรเป็นวิบัติกับมุทิตาวิบัติคือความเสียหายของมุทิตาเกิดความสนุกสนานก็นนเลย ดีใจว่าตนได้รับผลประโยชน์เช่นเช่นเช่นลูกสอบได้โอ้มันลูกเราอตื่นเต้นสุ ด, ส, ดสุดเด็ดวันเกิดลูก <c oughs> เนี่ยเนี่ยสนุกสนานเกินเลยอมุทิตาเนี้ยเป็นความวิบัติไปว่ามุทิตาเสียหายแล้วมุทิตาเสียหายแล้วเห็นไหมให้สังเกตตดูนะว่ากับคนอื่นสมมานได้ไม่ได้ต้องพวกพ้องเท่านั้นนี่เป็นตอนนี้เป็นความวิบัติ อาเวขาแต่เนี้ยอะไรเป็นความสมบูรณ์ของอเวขาความไม่ยินดีไม่มีความยินดียินร้ายคือกําจัดอภิชาและธทมนั้นความยินดีความยินร้ายสงบราบคาไปเหลือแต่จิตที่วางเฉยแล้วรู้และเข้าใจตั้งมั่นไม่วันไหวแข็งแรงไม่สะทกสะท้านได้ลาบเสริมราบได้ยศเสริมยศนินทาสารเสิญสุขทุก ความดีใจความเสียใจทั้งหลายเหลา่านี้ความชอบใจและไม่ชอบใจทั้งหลายสงบราบคาบได้นั่นแหละคือความสมบูรณ์นั่นคือสมบัติของอุเบกขาแล้วอะไรเป็นความเสียหายเป็นวิบัติของอุเบกขาเฉยเหมือนกันเฉยไม่รู้เรื่องเอาค่อยอุเบกขาก็ก็เบกขาอยู่แล้วแล้วคิดอะไรไม่ไม่คิดอะไรหรอกเฉยเฉยเฉยไม่รู้เรื่องรู้ราวเนี่ยเขาเรียกอัญญานเบกขา ภาษาพระไปว่าเฉยโง่เฉยไม่วิจัยเฉยไม่แยกแยะเฉยไม่วิจารณาแล้วก็เฉยเฉยเอคนนั้นตายแล้วก็เฉยทํำไมไม่ได้วิจไม่ได้คิดอะไรด้วยเอาคนนั้นเขาเออเขาเขาลังประสบปัญหาชีวิตก็เฉยเฉยไม่มีอะไรเอาคนนั้นติดคุกติดทางเฉยเฉยเนี่ยอย่างเนี้ย การเฉยเมยเงี virus, 네้ยเฉยเมยนี่เขาเรียกอัญญาโุเปขาอุเบขานเฉยมองนะเฉยเมยก็ได้เฉยมึนก็ได้อันเดียวกันเฉยไม่รู้เรื่องเคยเป็นไหมล่ะเคยไหมในการเฉยเมยเฉยมึนเนี่ยลักษณะอย่างนี้นะทีนี้ข่าศึกข่าศึกก็คืออกุศลซึ่งเป็นศัตรูคู่ปรับที่จะทําลาย ธรรมะนั้นๆให้เสียไปก็คืออะไรเป็นค่าสึกใกล้ของเมตตาค่าสึกใกล้ชิดราคะความกำหนัดเป็นค่าสึกใกล้ชิดเป็นศัตรูกใกล้ใช่ไหมมันมันอยู่ใกล้มากเนี่ยเป็นค่าสึกใกล้ชิดไอตัววิบัติของเขาเนี่ยแหละความเสียหายของเขาเป็นค่าศึกฉะนั้นต้องระวังนะ ในขณะที่เจริญเมตตาเจริญเมตตาเจริญเมตตาพอะไอ้ข้าสึกใกล้ชิดมันอยู่ใกล้แนละ้วฟุ๊บมาแทนที่แล้วยังไม่รู้ตัวเลยว่าเราเจริญราคะไปแล้วความกำหนัดยินดีเพลิดเพลินไปแล้วเนี่ยระวังเลยนะเนี่ยมันมาใกล้ชิดมันแอบแฝงซ่อนตัวมาโอ้ยกําลังเมตตาอยู่ดีๆเออทําไมวะใจเราถึงไม่ผ่องใสมันเอี้มันรักยังไงเนี่ยมันรักแบบหึงหวงมันรักแบบจิตใจมันขุนมัวงอย่งเนี้ยเนี่ยนี่ก็เลยค่าสึกใกล้ชิด ค่าศึกใกล้แล้วอะไรเป็นค่าศึกไกลของเมตตามันไกลอยู่ไกลมากพยาบาทไงความขัดเคืองความไม่พอใจไงโทสะนั่นแหละเห็นไหมคนละขั้วกันเลยนะเมตตากับโทสะเนี่ยไกลกันมากคนละขั้วเลยจึงจะเป็นค่าศึกไกลเห็นได้ง่ายแต่ค่าศึกใกล้เนี่ยเห็นได้ยาก หลายหลายคนเนี่ยตกมาตายไปเจริญเมตตากลายเป็นราคะแล้วเกิดง่ายด้วยเห็นไหมนึกว่าเจริญง่ายถ้าไม่คอยสังเกตนะราคะมีความกำหนัดยินดีเพื่อเถเพลินใช่ไหมกำหนัด ย, ยินดีในรูปยินดีในเสียงยินดีในกลิ่นยินดีในรสยินดีในผลพระยินดีในธรรมอร่อยกามคุณห้าเป็นต้นเหล่าเนี้ติดใจไปกระสันความยินดีตัวเนี้ยราคะเนี่ยมันง่ายมาก ไปแผ่เมตตาเอ้าไปพอใจในผมเขาซะแล้วพอใจในขนในเล็บในฟันในหนังพอใจในคิ้วพอใจในปากในจมูกแล้วก็ยังนึกเป็นเมตตาอยู่เนี่พอใจในสวดทรงองค์เอวโอ้สวยสดกด็งามแล้พอใจในกิริยามารยาทโอ้ยรักแล้วเนยพอใจในความคิดของเขาความคิดของเขาดีดีนึกว่าเมตตาที่ไหนราคากินก็ใจอย่างราคากินได้แล้ว เสียหายเลยยอมเคยเป็นไ้มล่ะเนี่ยถ้าเป็นอย่างนี้ก็จะกราคะเนี่ต้องรู้ละเอียดจริงๆนะเอาดูกรุณาหน่อยอะไรเป็นค่าสึกใกล้ของกรุณาค่าสึกใกล้ของทมานัทไงความเศร้าโศกเสียใจมันใกล้กันเนะี่ยกรุณาเนี่ยก็แปลว่าอะไรนะทนอยู่ไม่ได้ภาวะที่ทนนิ่งดูดายไม่ได้ เมื่อเห็นคนอื่นประสบความทุกข์พอนิ่งดูได้ไม่ได้จิตหวันไหวเราก็นึกว่าวันไหวแบบโทมนัสวันไหวก็คือไม่สามารถที่จะทนดูได้ต้องขวนขวายต้องช่วยเหลือช่วยทางกายได้ก็เอากายไปช่วยช่วยทางวาจาได้ก็ใช้คำพูดช่วยหรือทำประโยชน์ช่วยได้ก็ทำประโยชน์ช่วยถ้าช่วยไม่ได้ทางกายทางวาจาทางการทาประโยชน์ใช้ใจปราถนาขอยเขาพ้นทุกข์ ขอให้เขาประสบความสําเร็จในชีวิตให้ได้ให้เขาฝันฝ่าปัญหาอุปสรรครอดปลอดภัยให้ได้จิตใจก็ตื่นเต้นชื่นใจแต่ถ้ามันระวังไว้เพราะว่ากูช่วยไม่ได้ช่วยไม่ได้โทอมนัทเขาปุ๊บไอตัวโทอมานัทนี่แหละเขาเรียกว่าเป็นค่าศึกใกล้ของกรุณาเห็นไหมมันใกล้กันมากระหว่างกรุณากับโทอมนัทเนี่ใกล้กันมากแล้วค่าศึกไกลคืออะไร วิหิงสาไอจิตคิดเบียดเบียนเห็นไหมมันไกลกันมากนะกรุณาสงสารกับคิดเบียดเบียนเขาเปนคนละฝั่งกันเลยมันจึงเป็นค่าศึกไกลมากบางคนยังไม่เห็นอีกอจิตคิดเบียดเบียนเขาแล้วยังไปคิดว่าเป็นกรุณาต้องระวังมันค่าศึกมันเห็นชัดโธมานัทกับกรุณาเนี่ยมันใกล้กันมากดูแลพ่อแต่พ่อไม่สามารถที่จะอาการของพ่อก็สุดลงสุดลงสุดล ง, ดลงโอ้ยโทมานัทกินง่ายจัง แต่ถ้าการุณาแท้ไม่สุดทําเต็มที่ชื่นใจทุกครั้งที่เห็นกรุณาในตนเห็นยอดกรุณาที่เกิดขึ้นในตนเห็นต้นกรุณาที่เกิดขึ้นในตนโอ้เต็มเปี่ยมชื่นใจได้ในภาวะขับขันที่พ่อก็อาการแย่ลงแม่ก็อาการแย่อยู่หรือบุคคลที่เราเกี่ยวข้องอาการอ ย, อย่างนี้เป็นต้นถ้าศึกใกล้ของมุทิตาคืออะไร สมมนัทเช่นยังไงดีใจว่าตนจะพลอยได้รับผลประโยชน์ด้วยใช่ไหมไปมันมุติตาพลอยยินดีพลอยยินดีพลอยยินดีพลอยยินดีต้องเป็นพลอยยินดีที่สะอาดพลอยยินดีที่บริสุทธิ์แล้วต้องระวังนะทำไมถึงพลอยยินดีลูกเราได้ก็ <c oughs> เราจะได้มีหน้าตาด้วย ได้หน้าได้ตาตามลูกด้วยได้หน้าได้ตาตามสามีด้วยได้หน้าได้ตาตามภรรยาด้วยได้หน้าได้ตาตามน้องตามพี่ด้วยได้หน้าได้ตาเพราะเป็นเพื่อนเราได้หน้าได้ตาเพราะเป็นลูกน้องเรานั่นใครเนี่ยเพื่อนผมเองประกาศทันทีมุทิตาพอินดีด้วยอ้าว้ไอตรงนี้มันเข้ามาฟุบกลายเป็นมูทิตา เป็นค่าศึกใกล้เข้ามาแทะกลายเป็นเทียมเห็นเพราะมันอยู่ใกล้ชิดมากแล้วอะไรอยู่ห่างฤทิ์สยาเห็นเขาได้ดีทนไม่ได้ตัวฤทิ์ยาถ้าเราจะสังเกตดูมือิตาเราจะเจ๋งหรือไม่เจ๋งแพ้ได้หรือไม่ได้ให้สังเกตดูว่าถ้าศัตรูประสบความสำเร็จคนที่เราไม่ชอบประสบความสาเร็จตื่นเต้น ยอมคนหนึ่งมาเล่าให้ฟังขมเขามาเล่าให้ฟังเพิ่งเคยเห็นว่ามันมีจริงเขอกวันที่สามสิบวันที่สิบห้าหวยออกไม่กล้าดูหนังสือพิมพ์ถามดูแล้วมันจะเจอคนถูกระหวัตที่หนึ่งแล้วเกะเครียดมันรับไม่ได้ทําไมไม่เป็นเราก็กเครียดมากเลยยอมเคยเป็นขนาดนี้ไหแก็มาเล่าให้ฟังก็ตกใจโอ้มีจริงเลย นี่ลิศยาแท้เลยเนี่ยพอยินดีกับเขาไม่ได้คือไม่กล้าอ่านหนังสือพิมพ์เลยวันนั้นไม่กล้าดูหนังสือพิมพ์ถ้าได้ยินข่าวว่าคนนั้นถูกสองใบาสาใบาสิบใบยอยากจะเป็นลมเล ย, เยอยากจะเป็นลมเลยโอ้โหขนาดนั้นเลยยอมเคยเป็นไหมเออเนี่ยหนักเนี่ยมุติตานไม่ได้นี่เป็นค่าสึกไกลเลยนะไอตัวลิศยาเป็นฆ่าศึกไกล ก็ไม่ยินดีแล้วค่าศึกใกล้ของอุเบกขาอัญญุเบกขาเฉยไม่รู้เรื่องเฉยเมยเฉยโง่เนี่ยเห็นไหมมันต้องระวังนะให้วางเฉยไงพอวางเฉยก็เลยเฉยอ้าเขาตายกันแล้วเฉยเฉยเหมือนมเฉยเหมือนสับเปลอ มีสอบปล อ, ขอเขบอกว่ามีคนคนนึงเล่าให้ฟังเขาเนี่ยเฉอยอย่างเงี้ยเขาบอกเฮ้ยไม่เห็นไปคิดอะไรเลยเผาก็ไอ้ตายก็เผาเกิดแก่เจ็บตายเรื่องธรรมดาแล้วก็ทําตัวอย่างนี้จริงๆนะแต่งตัวก็มอมอมอกินข้าวเวลาเผาศพก็นั่งกินข้าวอะไม่ไม่ไปคิดอะไรมากวางเฉยที่ทุกอย่างวางเฉยหมดทีนี้ก็เออมีปัญหาเกิดขึ้นเดี๋ยวนี้ คนเขาอยากรู้ออกเจ้านี้มันมั น, ม, นมันอุเบกขาจริงรึเปล่าใช่ไหมมีวันนึงนี่เจ้านี้มันมีเรื่องเกิดขึ้นมาเออหลานแกเนี่ยมีหลานหลานแกเล่นเล่นท่าไหนตกบ่อ น, น้ำตายเราก็เลยไปนั่งคุยว่าเฮ้ยถ้าตายแล้วทำไงอ่ะตายก็เผาถ้าคนเราตายก็เผาเฮยกูเผาไปด้วยเท่าไหร่แล้วอ่ะอ่ะถ้าเมียตายก็เผา พ่อตายใครตายต่างพี่ตายตาเขาเผาไม่เหลือพวกนั้นบปๆเขาก็เลยบอกอ๋อคิดแดงจริงเอองั้นหลานเองตายแล้วนี่ตกน้ำตายเดินบกตกบ่อตายเป็นลมเลย <c oughs> นี่เป็นลมเลยเนะี่ยเจ้านี้เป็นลมล้มพับลงตรงนั้นเลยไม่กระดิกเลยนี่เห็นไหมมันไม่เฉยจริงเฉยงโง่เฉยไม่รู้เรื่องมันเฉยแต่เฉพาะคนอื่นเนี่ยถ้าหากว่าเป็นคนที่ตนเองรักขึ้นมา ตายขึ้นมาไม่เฉยไม่ได้พิจรารณากรรมและผลของกรรมเป็นลมใช <c oughs> ่ไหมมันเกิดเฉยไม่เคยรู้เรื่องแล้วส่วนค่าศึกไกลอภิชาและโทมนานะที่ไม่ตรงกันข้ามเลยความยินดียินร้ายทั้งหลายเห ล, าเล่านี้เป็นต้นเนี่ยเนี่ยไอตัวความใคร่ราคะราคะความใคร์ปฏิคะความเครืองความชอบใจความชอบใจและความขัดใจนี่แหละ อันนี้เป็นเป็นค่าศึกไกลของอุเบขาทีนี้เอาตัวอย่างมาตรฐานที่กล่าวไว้ในคำสอนในกรณีการเจริญเมตตาก็คือเมื่อลูกยังเล็กเป็นเด็กเยาว์วัยเนี่ยแม่ก็เมตตารัก เอาใจใส่ถนอมเลี้ยงลูกให้เจริญเติบโตขึ้นวิธีการยกตัวอย่างจะเห็นได้ชัดยามยามลูกเล็กๆ ก, ก, กำลังน่ารักตอนนั้นเน่ยแม่ก็มีเมตตารักปรารถนาดีเ อ, อื้อทอเนี่ยสังเกต ด, ดูสภาพจิตถ้าใครเคยมีลูกยันเป็นอย่างนี้ถ้าลูกเจ็บป่วยเนี่ยตอนนั้นอะแม่ก็ ทนนิ่งดูดายไม่ได้ขวนขวาย ใ, ในการรักษาดูแลเต็มที่เลยประคับประงมถ้าหากลูกเจริญวัยขึ้นมาเป็นหนุ่มเป็นสาวแล้วก็กระทำอะไรประสบความสำเร็จแม่ก็พลอยปลื้มใจหวังให้ลูกงามสดใสยอยู่นานๆอ น, นี้มุทิตาเกิดเมื่อลูก รับผิดชอบหน้าที่ของตนเองได้แล้วกำลังทำกิจกรรมงานตนเองอยู่ขวัขวายในการทากิจกรรมตนเองอยู่ฝึกผลพัฒนาตนเองอยู่แม่ก็วางใจเป็นกลางวางเฉยมองดูอยู่นี่เป็นอย่างนี้ฉะนั้นกรณีที่ว่าเมตตากรุณาเมตตาเวขาเนี่ยถ้ายกลูกเนี่ยมาเป็นตัวอย่างแล้วก็สำหรับแม่เนี่ยแล้วจะเห็นได้ชัด แล้วก็ฝึกสภาพใจของตนเองให้เป็นอย่างนั้นจริงๆให้เป็นเมตตาแท้กรุณามุทิตาและเวขาแท้ทีนี้อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าตัวฉันทะที่ได้พูดไดยแล้วที่เป็นตัวที่จะทำให้ตัวเมตตากรุณามุ้ทิตาและเวขาเกิดขึ้นไอตัวกัตตุกรรมยตาชันทะไอปรารถนาที่จะทาให้เมตตาเกิด ปรารถนาที่จะทําให้กรุณาเกิดปรารถนาที่จะให้กรุไอ้มุทิตาเกิดและปรารถนาที่จะให้อุเบกขาเกิดไอ้ใจรักแล้วปรารถนาอย่างแรงกล้าตัวนี้ mm hmm. เขาเรียกว่าฉันทะในการปรารถนาที่จะทําที่จะให้เมตตาเกิดกรุณามุทิตาและอุเบกขาเกิดต้องมีใจรักอย่างแรงกล้าแล้วมีไฟรู้ไฟศึกษาที่จะทําให้เมตตากรุณามุทิตาเกิดขึ้นได้จริงพอมีฉันทะมาแล้วโหตัวอื่นตามมาอีกเยอะเลยอย่างนี้เป็นต้น นั้นตัวกตุกกรรมยาตาฉันทะเนี่ยเป็นความใคร่ที่จะกระทาที่จะกระทาเมตตากรุณามุมตตาและเวขาให้เกิดขึ้นอย่างนี้เป็นต้นฉะนั้นไอตัวฉันทะเวลาเป็นตัวขับเคลื่อนทาให้เมตตาเกิดขึ้นได้เวลาเกิดความรักแท้เกิดขึ้นมาเนี่ยไม่ได้ไม่หยุดไม่ได้ไม่หยุดฉะนั้นตุงฟันฝ่า แล้วอุทิศกายใจจริงๆปัญญามาสอบสวนใช้วิธีนี้ไม่ได้เมตตาไม่เกิดก็ฝึกและฝึกอีกฝึกและฝึกอีกจนสามารถทําเมตตาให้เกิดขึ้นได้จริงๆนี่เป็นต้นฉะนั้นกรณีที่ว่าเมตตามีปียามนาปัสสัตตะวัญญัติเป็นอารมคือสาตร์นั้นเป็นที่รักเป็นอารมณ์กรุณามีทุกขิจสัตะวันหยาัศาสตร์ที่มีกําลังประสบปัญหาชีวิตนเป็นอารมณ์ มุทิตามีสุขิตติสัตว์ตะวบัญญัติเป็นอารมณ์ก็คือสัตว์ที่ประสบความสําเร็จในชีวิตอุปเปขาก็มีมัชช ต, ส ต, ญญต์สัตวะบัญญัติสัตว์ที่เป็นกลางๆงวางใจเป็นกลางต่อหมูสัตว์ที่สัตว์กําลังจะขวนขวายทํากิจกรรมตนเองฝึกฝนพัฒนาตนเองหรือเจอปัญหาชีวิตใดๆไม่สามารถจะไปขว น, นขวายช่วยเหลือได้ก็วางใจเป็นกลางรักษากฎเกณฑ์กติกาเนี่ยก็มีฉันทะที่จะทําให้เมตตากรุณามุทิตาและเบกขาเกิดขึ้นอย่างแท้จริง ตราบใดพรหมวิหารยังไม่ประสบความสําเร็จก็ไม่หยุดนั้นมีใจรักอย่างแรงกล้าตรงนี้แหละผลักดันให้เกิดขึ้นให้มีขึ้นแล้วทีนี้พอเราทําพรหมวิหารให้เกิดขึ้นในใจได้ตอนนี้ภาคปฏิบัติการจะเกิดได้จริงในกรณีที่เราจะไปให้ให้โดยเมตตาให้โดยกรุณาให้โดยมุทิตาพูดโดยเมตตาการุณามุทิตาทําประโยชน์ด้วยเมตตาการุณามุทิตานในขับเคลื่อนออกไปเป็นสังขาวัตถุแล้ว แล้วก็สมานัตตาที่ขับโดยตรงมาจากอุเบกขามาจากเนคขมาเนี่ยที่จะเป็นตัวขับเคลื่อนในการให้การประพฤติปฏิบัติเป็นไปได้อย่างถูกต้องดีงามนี้เป็นต้นที่แรกจริงๆว่าจะพูดในเรื่องของสังคมหรือคนโทษของการขาดเมตตาเป็นยังไงโทษของการขาดกรุณาเป็นยังไงขาดมุทิตาเป็นยังไงขาดอุเบกขาเป็นยังไงใช่ไหม แล้วถ้ามีเมตตากรุณาุมตตาและเบกขาเป็นยังไงต้องการอยากจะชี้ซอยรายละเอียดเข้าไปเนี่ยไม่ทัน <c oughs> ไม่ทันเลยพูดนานเลยเรื่องเมตตาเหลือเวลาเพียงห้านาทีกว่ากว่ามีใครถามปัญหาไม่ดูดอ้าวใช่ขอโอกาสอาจารย์ครับอันนี้เป็นคำถามที่เข้ามาจาก YouTube นะครับ ในระหว่างที่ฟังพระอาจารย์มีคนถามว่าระหว่างคำว่า ข, ขันติกับธรรมะมีความแตกต่างกันอย่างไรครับ <c oughs> ธรรมะเ น, นี่ย ขันต ah, ิสัจจะธรรมะขันต ah ิข <ker> ัน <unction> สัจสัจธรรมะขัน <marin> ติจาคะอยู่ในอยู่ในหมวดของคาวาสธรรมเน้อวันนี้โยมถามมาก็ดีนะสรุปตรงนี้ให้ฟังะเลยเราจะได้ชัดจริงๆในหมวดธรรมะ หมดวดคารวะธรรมธรรมของผู้คลองเรือนใครที่ปรารถนาอยากจะคลองเรือนมีคู่เนี่ยต้องเรียนธรรมะสี่ตัวนี้ด้วยเป็นหลักฝึกก็จะมีคําว่าสัจจะใช่ไหมเมื่อกี้ยอมถามเรื่องขันติกับธรรมะเดี๋ยวเดี๋ยวพูดให้ครบชุดมาจากสัจจะสัจจะนี่คือความจริงใจพูดจริงทําจริงจริงใจต่อการนี่พูดสันส้นๆหลักการที่จะทําให้การคลองเรือนยืดยาวแล้วก็เจริญรุ่งเรือง ก็ต้องมีสัจจะเลยคู่ครองเลยต้องมีสัจจะต่อกันนะพูดจริงต่อกันทําจริงต่อกันและมีความจริงใจต่อกันไอ้ตัวเนี้ยเป็นตัวที่จะทําให้ไว้เนื้อเชื่อใจกันหรือไม่อยู่ตรงนนเนี้ยส่วนคําว่าธรรมะเนี่ยธรรมะเนี่ยแปลว่าแปลว่าฝึกแปลว่าการปรับนะการฝึกการปรับคือคู่ครองหรือคนที่จะอยู่ด้วยกันเนี่ยต้องปรับเข้าหากันต้องฝึกปรับพฤติการฝึกพฤติกรรมเนี่ย เหมือนไม้จากป่าเนี่ยที่จะมาเป็นแผ่นกระดานเนี่ยโอ้โหต้องตัดต้องเลมต้องเลาะให้มันเข้ากันได้เนี่ยเหมือนกันคนจากคนละที่มาอยู่ด้วยกันเนี่ยต้องมาปรับฝึกกันตลอดเวลาท่านอุปมาเหมือนกับใบไม้ใบไม้ของต้นไม้ถึงหน้าหนาวหน้ า, นาร้อนหน้าดูฝนเนี่ยมันจะมีการสลัดใบปลัดผัดใบตลอดเวลามีการปรับเปลี่ยนตลอดเวลา ไอ้ธรรมะนี่ก็คือการฝึกเนี่ยต้องก็คือปรับปรับเอาข้อที่ไม่ดีของตัวเองออกเอาข้อดีข้อเด่นขึ้นมาอย่างไงเนี่ยต้องปรับตนเองตลอดเวลาต้องมีปัญญาในการที่มาปรับตัวเองนะถ้างั้นถ้างั้นก็จะไม่สามารถก็อยู่ไม่รอดครอบครัวก็ไม่ยืดยาวไม่สามารถดําเนินไปได้ดีถึงดําเนินไปก็จะขัดเคืองกันตลอดแล้วมีปัญหากันตลอดฉะนั้นธรรมะนี่เป็นว่าฝึกแปลว่าฝึกแปล ว, ว่าปรับนะ ส่วนขันติเนี่ยมันแปลว่าทนทานแบลอดทนทนต่อความลาบากทนต่อความตรากตรามทนต่อทุกขเวทนาทนต่อความเจ็บใจมันจะมีการทนแบบตั้งรับแบบบุกฝ่าที่เคยบอกว่าตั้งรับเหมือนแผ่นดินแผ่นดินเนี่ยของสะอาดหรือไม่สะอาดของหนักของเบาเนี่ยดินก็ไม่สะทกสถานหวั่นไหวดงนั้นถ้าทนแบบแผ่นดินก็คือนั่นตั้งรับปัญหาโลกประสรคได้ทุกสถานการณ์รองรับ ถ้าเป็นขันติกก็คือรองรับคุณธรรมทุกอย่างปลูกฝ่าก็เหมือนช้างศึกช้างในเวลาออกออกรบเนี่ยโอ้โหลูกศรที่ปิวมาอีกที่ทั้งสี่ก็ใช้งวงใช้งาปัดปดป้องไม่หวั่นไหวไม่สะทกสะท้านการฝ่าฟันการเจดิญเนินชีวิตในการไปถึงจุดสูงจุดหมายปลายทางต้องฟันฝ่าอดทนและตั้งมัน่นเห็นไหมหนึ่งไอตัวธรรมะนี่คือฝึกคือปรับเหมือนกันการฝึกการปรับ ส่วนตัวขันติคืออดทนทนทานธรรมะเหมือนใบของต้นไม้ที่คอยปรับตามฤดูกาลขันติเหมือนแก่นของต้นไม้ที่มีความแข็งแรงทนทานทนแดดทนฝนเป็นต้นส่วนสัจจะเหมือนรากเหมือนรากของต้นไม้ถ้ารากแก้อยาวเท่าไหร่ก็ต้นไม้ก็เจริญงอกงามเียแล้วข้อสุดท้ายก็คือจาคะจาคะคือการแบ่งปันก็คือการมีน้ำใจการมีน้ำใจงามต่อกัน ก็เหมือนกับการลดน้ำพรวนดินฉะนั้นต้นไม้จะเจริญงอกงามได้มีรากแก้วมีการผัดใบตามฤดูกาลแล้วก็ลอกบางต้นไม้บางอย่างก็ลอกมันจะลอกโตมันเองทุกตามฤดูกาลด้วยเนะี่ยปรับตลอดแล้วก็มีขันติก็ ค, คือมีแก่นนั่นแหละแล้วก็มีตัวรดน้ําพรวดินถ้าได้สี่ประการนี้แล้วเนี่ยต้นไม้เจริญเติบโตงอกงามแล้วก็เป็นไม้ที่แข็งแรงทนทานอายุยืนยาวฉนั้นชีวิตครอบครัว ต้องมีการแต่งงานเป็นต้นอะไรเนี่ยการคลองเรือ น, นต้องมีตัวสัจจะผู้จริงทําจริงจริงใจต่อกันต้องมีธรรมะคือการปรับการฝึกที่จะให้เข้าเกิดกันได้ตลอดเวลาชานฉลาดในการปรับการฝึกต้องมีขันติคือความทนทานอดทนแล้วก็ต้องมีจาคะความเป็นผู้มีน้ําใจต่อกันดูแลซึ่งการมีน้ําใจต่อกันอยู่ตลอดเวลาต่อไปไดังนี้เป็นต้นพอจะชัดเจนนี่ยัง ขันติกับธรรมะหมดแล้วเนาะอ๋อหมดแล้วดีเลยตรงเวลาพอดีข้อมทนากับเราท่านทั้งหลายวันนี้ก็ข้อนุมโมทนาในโซนและศรัทธาของญาติโยมทั้งหลายที่ตั้งใจฟังธรรมะดังที่ได้กล่าวไว้แล้วว่ามีเวลาก็จะกล่าวธรรมะตลอดนะอยากให้โยมทั้งหลายได้ศึกษาทุกวัน ไปฟังทุกวันจะพูดที่จริงอยากจะนํามากล่าวต่อไปจากถ้าจบในเรื่องนี้เมื่อไรจะพูดในเรื่องกรรมทั้งเชิงกว้างเชิงลึกแล้วเอามาใช้ใได้จริงยังไงยกตัวอย่างในสมัยพระพุทธกาลแล้วก็เอามาให้เกิดขึ้นได้จริงๆริงยังไงคงใช้เวลานา น, านมากถ้าพูดเรื่องกรรมกรรมเป็นเรื่องใหญ่มากเป็นหนึ่งในธรรมนิยามด้วยเป็นหนึ่งในนิยามทั้ง5้ามีอุตุนิยามพีชนิยามจิตนิยามกรรมนิยาม แล้วก็ทำรรมาได้ยาวฉะนั้นจึงเป็นกฎเป็นก ฎ, นกฎความจริงที่เราท่านทั้งหลายพึงรู้อย่างนี้เป็นต้นเราเคยอ่านตำรากันมาเยอะแต่ว่าเราจะเอามาใช่ยังไงให้เกิดความเข้าใจนี่เหมือนกันพระมิหารก็เป็นสิ่งที่จําเป็นที่ญาติโยมทั้งหลายควรฝึกให้เกิดให้มีขึ้นจริงๆเนะขอให้เราท่านทั้งหลายจงเป็นผู้มีความมั่นคงในพระรัตนตรัและพระรัตนตรัยจงคุ้มครองกระแสชีวิตของเราท่านทั้งหลาย เมื่อเราไม่ละเลยพระรัตนตรัยพระรัตนตรัยก็จะไม่ละเลยเราเมื่อเราไม่ละเลยพระธรรมพระธรรมก็จะไม่ละเลยเราธรมโมเวรักติธรรมะจาริงก็แปลว่าธรรมะย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรมดังนั้นเมื่อบุคคลเรารักษาธรรมแล้วก็ประพฤติธรรมธรรมะก็จะรักษาเราศีลเมื่อเราประพฤติในศีลศีลก็จะรักษาพฤติกรรมกระแสชีวิตเราเราประพฤติสู่สมาธิสมาธิก็จะรักษากระแสชีวิต เขาถึงปัญญาปัญญาก็จะรักษากระแสชีวิตเราให้ดำเนินไปตามมาราของพิชิตเจ้าคืออนุปาธาปรินิพานการพ้นจากกิเลสและกองทุกข์ด้วยการทุกท่านทุกประการเทือนสาธุกสาธุกสาธุก